พวกเรามาหลา ย, ลายวันวันล ะ, ะเดือนละครั้งสองครั้งก็มาฝึกมาฝึกมาหัดเป็นนิสัยนะว่าให้ใจของเราเนี่ยละได้รู้ได้เห็นขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอบางวันบางเวลาที่อารมณ์ของเรามันไม่ดีฟังบางครั้งบางทีมันก็จะเกิด ความรู้ความเห็นขึ้นมาได้เกิดธรรมะเกิดขึ้นที่ใจที่ตัวของเราใจของเรามันอยู่มันเวียนว่ายตายเกิดมานี่อาศัยร่างกายเกิดตายเกิดตายมาหลายภพหลายชาติแล้วก็สั่งสมไปที่ได้มาเกิดเป็นคนได้พบพระพุทธศาสนาเป็นบางครัง้งบางสมัย ก็คิดว่าทุกคนเนี่ยเคยผ่านมาแล้วทุกคนนั่นแหละที่ได้เจอพระพุทธเจ้าที่ท่านมาตัสลูในโลกนี้ฟังว่าสามล้านกว่าองค์ที่พระพุทธเจ้ามาตัสลูผ่านการเวลามานานพอสมควรเนี่ยให้พวกเราเร่งเอาอย่าคิดว่าตัวเองยังไม่มีวาสนาวาสนาเนี่ว่าแม้ตาพุทธเจ้า ท่านบำเพ็ญมาหวังอยากจะเป็นผู้ลื้อขนสัตว์ออกจากในวัตสงสารท่านก็ยังทำบำเพ็ญยันทำผิดพลาดอยู่นั้นตั้งหกปีให้เราคิดเอาอันนี้พวกเรามีตำรับตำรามีคำสั่งสอนของพระเจ้าและครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตามาบอกมากล่าวพวกเราก็ทำเอาอันนี้ถือว่า เป็นของที่จะได้รู้ได้เห็นในอย่าคิดว่าตัวเองนี่ไม่มีโอกาสไม่มีวาสนาพอที่จะได้รู้ได้เห็นยังไม่ได้ถึงลึกซึ้งถึงขนาดนั้นให้เราคิดว่าคนในครั้งพุทธกาลบางคนเขาก็เป็นนายพานอย่างนี้ก็ยังไม่รู้ว่าศีลห้าเป็นอย่างไรเขาก็เลยไม่ไมเคยรักษาแม้กระทั่งศีลนั่นละ แต่พระพุทธเจ้าประเทศปูดก็บรรลุทำได้เหมือนกันอันนี้เรานี่เป็นคนทำบุญทําทานรู้จากครูบาอาจารย์มาหลายหลายปีแล้วแต่ละคนละคนในชาตินี้นะแต่ชาติก่อนๆเราเคยทำมาแล้วมากแล้วอันนี้แหะการได้ยินได้ฟังแต่ละท่านละคนก็ให้เข้าใจว่าเป็นเรื่องของตัวเราอย่าคิดว่า ไม่ใช่หน้าที่ของเราให้คิดว่าเป็นหน้าที่ของเร า, าการที่เราเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยอายุบางข้างก็ห้าสิบปีหกสิบปีก็ตายเกิดขึ้นม า, าแต่บางข้างก็หลายหมื่นหลายพันปีหลายร้อยปีแล้วแต่พวกเราที่มาเกิดในช่วงอายุน้อยอายุมากนี่ต่างกันทํานองนี้ที่เรามาเกิดมาตายเนี่ย คนละหลายล้านเที่ยวให้เขาเราคิดไปดๆๆนะูการเกิดเป็นทุกข์การแก่ก็เป็นทุกขนะ์ความเก็บไข้ได้ป่วยก็เป็นทุกข์ท่านจึงบอกว่าความชราลาค้ำค่าความเก็บป่วยทั้งหมดนี่แหละเป็นทุกข์ทั้งนั้นอันนี้หละให้เราคิดว่าที่เราเวียนไหวาตายเกิดมานี่มันหลายล้านเที่ยวแต่ละคนชาตินี่เรานะสมควรแล้ว ที่เราอยากจะได้รู้ได้เห็นให้มันข้ามเรื่องเวียนว่ายตายเกิดนะให้เราคิดเอามาแบบนี้ถ้าเราผ่านไปแล้วเนี่ยมันไม่มีโอกาสง่ายๆถ้าเราไปเกิดเป็นสัตว์เด ร, รัจฉานนะก็หมดสิทธิ์ไปน ะ, ะที่เรามาเกิดนะ่มันเป็นสัตว์เด ร, รัจฉานะมากกว่ามนุษย์อันนี้ให้เราคิดดูๆแบบนั้นอันนี้ชาตินี้เราก็สมควรอย่างยิ่งนะให้เราคิดเข้ามาทำนอ น, นี้ อันนี้แหละการาพิจารณากายท่านก็ครูบาอาจารย์ก็นิยมกันที่ว่าให้ดูลมหายใจเพราะองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ า, าที่ท่านจะได้บรรลุธรรมท่านก็มาดูลมหายใจแต่ก็อาศัยศรัทธาศรัทธาถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ย อ, อย่างพระพุทธเจ้านี่ท่านก็ที่ว่ า, าท่านเกิดความเชื่อมัน่นว่าท่านจะได้บรรลุธรรมท่านเขียนนิมิต มาบอกแล้วก็ได้ลอยถาดถาดลอยทวนกระแสแล้วท่านก็มีความตั้งมั่นศรัทธาของท่านเกิดขึ้นมาว่าถ้าเราไม่ได้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม่เลือดเนื้อในตัวของเรานี่จะเหียดแข้งไปก็ยอมอยอมสละเนื้อเลือดในตัวของเรานะจะเหียดแข้งไป ให้มันตายไปเลยให้มันแห้งไปเลยนั่นท่านสละแบบนั้นอันนี้เราก็มีใจเหมือนกันอันนี้พวกเราก็ที่ว่ามีจิตใจเหมือนกันก็คิดแบบนั้นบ้างก็เรียนแบบท่านเออพระพุทธเจ้านั่นแหละท่านที่ว่าไม่ใช่ว่าสร้างบา ร, รมีมาม า, มากๆแลว้วนะจะทำเอา ง, ง่ายง่ามันไม่ง่ายเอท่านก็บาเพ็ญมา อ, อดข้าวอดน้ำสารพัด ที่ว่ากั้นลมหายใจสารพัดที่หาวิธีหาวิธีที่จะจะได้บรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้านะทำผิดอยู่นั่นทั้งหปีจึงได้บรรลุธรรมนั่นแหละตอนที่ท่านได้บรรลุธรรมท่านก็ระลึกถึงได้ว่าในช่วงเป็นพระกุมารไปวันแรกนาขวนพระเจ้าสุโธทนะออกไปแรกนาขวัญพระองค์ก็มีโอกาสได้นั่งอยู่ล่มว่า อันนันะจิตสงบได้ท่านก็ดูลมหายใจเข้าออกอันนี้ลมหายใจเข้าออกของพวกเราก็มีทุกคนอันนี้แหละแต่สติน ะ, ะที่ว่าสาตินี่เป็นสิ่งสำคัญมากให้เรามีสติศรัทธาศรัทธาสติขันติมีความอดทนและมีความเพียราความเพียรถ้าเรามีประกอบกันทุกสิ่งเนี่ยมันก็จะไปได้ อย่าคิดว่าออไม่ใช่หน้าที่ของเราอย่าไปคิดแบบนี้อันนี้แหละหน้าที่ของเราโดยตรงที่เรามาเวียนว่ายตายเกิดเราก็ทำมาแล้วแต่ซาตก่อนนะไม่ใช่ว่าเราจะพึงมาทำเดี๋ยวนี้แต่ยังไม่ถึงช่องทางมันอันนี้แหละความอดทนของเราน้อยไปหรือความภาคความเพียรของเราน้อยไปแต่ซาตก่อนของเราให้เราคิดแบบนี้ ถ้าใครคิดแบบนั้นล่ะจะให้กำลังใจของตัวเองขึ้นมาที่ว่าอา้าวเราก็คนคนหนึ่งพระพุทธเจ้า่ามาตัดสู้สอนคนในยุคนั้นสมัยนั้นทั้งผู้หญิงผู้ชายนั่นแหละได้บรรลุธรรมไปนั้นไม่ใช่น้อยหลายแสนคนหลายหมื่นหลายแสนคนอันนี้ลเราคนหนึ่งยังมีคำสอนของท่านอยู่ยังไม่ถึงห0 0พันปีเดี๋ยวนี้ก็เพิ่งจะได้ว่าพระพุทธเจ้า ล่วงไปแล้วนี่เพิ่งจะผ่านไปเนี่ยสองพันกว่าปีเนี่ยเพิ่งจะได้เลยครึ่งไปนิดหนึ่งแค่นี้เรายังมีโอกาสอยู่นะให้เราคิดใส่ตัวเพราะธรรมเนี่ยมันอยู่ที่กายของเราอยู่ที่ใจของเราถ้าเราพิจรารณาลงมาหากายของตัวเองนี่มันก็เป็นก้อนธรรม ะ, ะก้อนธรรมะ เราเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายอันนี้แหละก่อนท ร, รมาดูคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็มาน้อมเข้ามาหาตัวเราว่าสมมติว่าตัวเราถ้าตายไปแล้วเนี่ยถ้าเวลามันจะตายก่อนเวลาจะตายเนี่ยความเจ็บความปวดมันเกิดขึ้นก่อนที่จะตายเนี่ลบากที่สุดก่อนที่จะเราจะตายให้เราคิดเอาตัวนั้นมามาเทียบกับชีวิตของเราเนี่ยในเดี๋ยวนี้ขณะนี้ เรายังไม่ถึงเจ็บถึงยังไม่ปวดไม่เจ็บถึงขนาดนั้นแต่เรามีสติพร้อมแล้วให้เราคิดแบบนี้มาฝึกทํานองนั้นแหละฝึกมาดูน้อมเข้ามาพิจรารณาเรื่องกายของตัวเองเนี่ยกายของเรามีอะไรอยู่ในในนี้เรามีอาหยังโคเมกาโยท่านที่ท่านพาสวดนั่นแหละกายของเรามีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเนีย ก็มีตับไตไส้พอดมีอาหารใหม่อาหารเกา่าอยู่ในร่างกายของเราหนังหุ้มอยู่นี่ถ้าหนังเนี่ยถ้าหลุดหนังออกไปมันจะเป็นรูปลักษณะแบบนี้แบบนี้ให้เราคิดเอาอันนี้เป็นว่าการคิดการนึกเนี่ยอาศัยอาศัยสมาธินะถ้าจิตของเราเนี่ยจะไปนึกเอาเฉยเฉยเนี่ยถ้าจิตของเราไม่แน่วแน่ไม่มีสมาธินี่มันก็ไม่เน่านีอาศัยสมาธินั่นแหละมันจึงเน่า อาศัยสมาธิอาศัยสติการทําความภาคความเพียรต้องอาศัยขันติความอดทนศรัทธาศรัทธาเชื่อมัน่นเนี่ยถ้าถ้ามีศรัทธาแล้วเนี่ยไม่หวั่นไหวมันจะเจ็บจะปวดอย่างใดก็ช่างให้มันขาดไปให้มันตายไปเลยถ้ามันกระดูกสิ้นไหนมันจะแตกมันจะหกักกไปมันหักไปเลยเนยีเรายังไม่รู้ไม่เห็นสัจธรรมเราไม่ยอมขยับตัวเนี่ย ให้คิดใส่ตัวแบบนี้อันนี้อาศัยศรัทธานะทุกคนเรามีศรัทธาอยู่แล้วนะต้องเพิ่มความอดทนนี่แหละความอดทนนี่จะว่าอันะอย่างอื่นเนี่ยเราเคยทํามามากเยอะแยะมาแล้วการทําบุญทําทานแต่ว่าศรัทธาตัวที่จะมานั่งสละตายแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยอันนี้ให้เราเรียนแบบพระพุทธเจ้าบ้างนะอย่าไปคิด คือว่าเราเนี่ยหมดหมดแล้วไม่มีคงไม่ได้รู้ได้เห็นหรอกไอว้วาสนาเราน้อยอย่าไปคิดแบบนี้คนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยอมีเท่าเทกันนั่นแหลอะอแต่ว่าน้อยมากก็ต่างกันนิดๆน่อยๆนั่นแหละทุกคนก็มีความโลภความโกรธความหลงความโามโหโท โ, โ, โสสารพัดนั่นแหละมีกันทุกคนแต่จะว่าถ้าอะไรถ้าเราทําถูกวิธีอะ มามามาเปลี่ยนนี่แหละเปลี่ยนความคิดจากความอยากอยากความอยากแล้วให้มาดูว่ า, าเมื่อเวลาเรามีกายอยู่นะเรามีความโลภมีความอยากได้ต้องการนั่นต้อ ง, องการนี่อยู่นี่เราก็มีความอยากความโลภ ก, กันเยอะแยะอยู่นี่วันนี้สมมติว่าเราไปขยับตัวไม่ได้แล้วลุกไม่ขึ้นแล้วจะช่วยตัวเองไม่ได้แล้วสมมติว่าตัวเองนี่อยู่ที่ว่าคนเดียว จะเป็นอยู่คนเดียวไม่มีใครมาเอาน้ำเข้าปากให้ไม่มีใครเอาเข้าวมาป้อนให้ลุกก็ไม่ขึ้นคิดแบบนี้เลยที่เรานั่งอยู่เนี่ยคิดให้เป็นแบบนั้นอันนี้แหละเราจะได้ที่ว่าจะได้กำลังใจสมมติว่าเราลุกไม่ขึ้นแล้วเรายกแขนยกอะไรไปจับนั่นายนี่ไม่ได้แล้ว เราเป็นคนป่วยหนักที่สุดแล้วเดี๋ยวนี้ในขณะคือใกล้จะตายแล้วให้ดูแบบนี้ดูลมหายใจท่าเดียวมันดูลมหายใจเข้าอีกเข้าเข้าออกเข้าออกน่แหละถ้าใครสติของใครแน่ได้เนี่ยจิตของเราจะได้เป็นสมาธิได้ง่าย อ, อันนี้แหละตัวสมมุติที่ว่าดูหนังเน่าของตัวเองเมันจะค่อยเป็นในครั้งแรกมันจะเรียนลางอยู่ ต่อไปมันก็ค่อยชำนาญไปเรื่อ umm. เยเหมือนกับเราเข้าเข้าโรงเรี ย, แบบ น, รยนแบบนี้อ่าไปเข้าโรงเรียนตอนแรกมันก็อ่าอ่านอะไรก็ไม่ได้หรอกแต่ต่อมามันก็ค่อยอ่ออานได้เขียนออกเขียนได้เขียนชื่อตัวเองทำบัญชีทำอะไรก็ทำได้ไปเรื่อยๆอันนี้เหมือนกันอ่าครั้งแรกๆกนี่มันก็ยังไม่เป็นแต่ต่อมานี่สมมติตัวนี้เราคิดเราคิดครั้งแรกๆะมันเป็นคิดเป็น แบบสมมุติเป็นฮนุมานมันเป็นคิดเอาคิดว่าถ้าตายแล้วเป็นหนังลักษณะนี้เหมือนกับเราไปดูศพญาตพี่น้องที่เอาไปทิ้งเอาไปเผาแบบเนี้ยเราเอาน้ำมะพร้าวเอาน้ำหอมไปลดโศพนั่นให้เราคิดแบบนั้นวันนี้เป็นศพเราคิดให้มันเป็นตัวเป็นศพเราเราขยับไม่ได้เดี๋ยวนี้เป็นศพเราแล้วถ้าทิ้งไว้ว สมมุติว่าทิ้งไว้ศพของเราเนี่ไม่มีใครเอาไปเผาไปฝังนะมันจะเน่ามันจะเน่าขึ้นอืดเนาเ่าเฟะลงนอนยั่วเยี่ยยวเยีกําหนดนอนไหลเข้าปากไหลออกจะโมกทําน้องเนี่ยไหลเข้าไหลออกกําหนดทําน้องนี่นนในที่สุดร่างกายของเราเนี่ยตัวมันจากอืด น, นั่นนะเนาเ่าเฟะลงไปเห็นสี่โคล ในที่สุดนอนยัวเยื่อยั่วเยๆเต็มตัวในที่สุดก็ค่อยแฟบลงแฟบลงในที่สุดหมดนอนก็เข้าฝักไปสักคิดเป็นในที่สุดล่างกระดูกของเราก็เป็นเป็นดินตัวตนทั้งหมดนี่หมดไปอันนี้หมดล่างกระดูกทั้งหมดก็ลงเป็นดินอันนี้ทำอีกอันนี้แหละฝึกการวิธีทำอันนี้แหละทำไปทำมา ที่ความเรายึดว่าตัวเราขาเราแขนเราในที่สุดมันลงเป็นดินหมดอันนี้แหละเราจะเห็นความจริงอ่าเริ่มจะเห็นความจริงไปทานองนี้จากในในช่วงแรกเราเป็นตัวของเราหมดอ่ามันเป็นเป็นขาเราแขนเราตัวเราเนี่ยมันมันว่าแบบนี้แต่พอมันเห็นนะ่ะพอมันเห็นแบบนั้นแล้วมันก็จะแจ้งขึ้นมามันก็จะสอนตัวเองเออร่างกายของเรา ในที่สุดตายแล้วก็เปื่อยเน่าแบบนี้แอเรามาเวียนไหวาตายเกิดอยู่ในโลกนี้ก็เป็นแบบนี้หลายชาติหลายภพมาแล้วอันนี้มันจะเริ่มเห็นไปแบบนี้หละความยึดนะความยึดว่าตัวเรานะมันจะค่อยหมดไปนั่นดูให้มันชำนาญไปเรื่อยๆดูํำนานดูดูหนังเน่าดูศพของเราเนี่ยนะดูร่างกายของเราเนี่ยให้มันชำนาญไปเรื่อย อันนี้ทำไปบ่อยๆแล้วมันก็เกิดความสำนิชสำนานขึ้นมามันก็เกิดที่ว่าจิตของเราสงบที่หลังนี่บัตการฝึกตัวนี้ไม่ใช่เอาสมาธิท่าเดียวต้องฝืนต้องฝืนมาคิดแยกแยะนะนะสำหรับหลวงพ่อนี่มันก็ที่ว่าหลวงปู่ขาวทำให้หลวงปู่บุญจันทร์ทำให้พอท่านทักว่าไปพิท บ, บาทเอาลูกว่าเมียด้วยหรือเนี่ยทีเดียวท่นานะมันดูห น, นังเน่าได้แล้ว นะกําหนดหนังเน่าได้พึบเลยแป๊บเดียวไม่ได้นึกพุทธโธยาก<ม>ในขณะนั้ น, นไปถึงหลวงปู่ขาวไปถ้ำกองเพลนวัดถ้ากองเพลนหลวงปู่ขาวเป็นพระอรหานเหมือนคัณท่านอาจารย์มหาบัวหรือยังความคิดคุณหลวงพ่อคิดแบบนี้หลวงปู่ขาวมองมาทีเดียวนะฟึบมาผ้าจีวรกับหนังไม่มีแล้วไม่มีตัวไม่มีตนเป็นกระดูกไปเลยอันนี้แหละหลวงพ่อก็ ได้ได้วิธีนี้ของหลวงพอ่ออาศัยหลวงปู่หลวงปู่ขาวหลวงปู่บุญจันทร์อันนี้ญาติโยมไม่ได้เป็นแบบนั้นก็ฝึกเข้ามาอ่ามันไม่เหลือวิสัยหลวงพ่อว่าเป็นของพอที่จะประพฤติปฏิบัติได้อย่าคิดว่าถ้าใครบอกว่าโอ้เออเรานี่ยังวาสนาน้อยบุญน้อยวาสนาน้อยอยู่อันนั้นมันไม่เป็นถ้าเราจะคิดแบบนั้นอยู่อ่าเราคนหนึ่งละ่ะต้องได้รู้ได้เห็นเอาปัจจุบันเนี่ย เนี่ยต้องคิดเข้ามาแบบนี้อันนี้แหละการที่ว่าถ้าเราทำบ่อยๆมันก็จะเป็น อ, อย่าไปคิดว่าวันเวลาที่เราเกิดมานี่เดี๋ยวนี้บางคนก็60 70บเข้ามาแล้วห้าสิบสี่สิอันนี้แหละชีวิตของเราเนี่ยให้เราคิดว่าพ่อแม่ของเราญาติพี่น้องของพวกเราที่ตายไปแล้วนะพวกเรานั้นอายุเท่าไหร่ เออเรานี่อีกกี่ปีจะเท่ากับท่านมันเหลือแค่นั้นให้เราคิดแบบนีเออ้เราอยากคิดว่าเออคงเหลืออีกคนละห้าสิบหสปีถ้าใครคิดแบบนี้เราเกิดมาแล้วเราไม่ตายเราไม่ต้องการความแก่ควมมมามเจ็บความตายตายหมดทุกคนถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วแม่ตาพุทธเจ้าส ร, ร้างบา ร, รมีมาแทนที่พระ อ, องค์จะอยู่เป็นหมื่นปีแสนปีทำรองนี่เหมือนกับพุทธเจ้าองค์ก่อน แปดหมื่นปีเจ็ดหมื่นปีหกมืปีเท่าไหร่ น, นี่อันนี้พระองค์ก็อยู่แค่แปดสิบปี น, นั่นแหละพระพุทธเจ้าสมณโคดมมีอายุแค่แปดสิปีอันนี้พวกเราก็อยากคิดได้ว่าตัวเองจะอยู่นานถึงขนาดนั้นให้คิดรีบเร่งเอาอคิดว่าตัวเองเนี่ยเดี๋ยวนี้วันนี้ขณะนี้ยังมีลมหายใจเข้าออกได้อยู่เราก็ดูตั้งสติดูลมหายใจเข้าออก แล้วก็สมมุติว่าหนังตัวเองนี่มันเน่าแล้วเป็นศพแล้วเน่าเฟะแล้วอันนี้ตัวนี้เป็นการคิดสมมุติโดยสมมุติการคิดสมมุติตัวนี้ถ้าไม่มีสมาธิเนี่ยมันไม่เน่าน ะ, ะแต่ถ้าสมาธิเนี่ยถ้ามันเกิดถ้าใครตั้งสติไว้นะตั้งสติไว้แบบที่ว่าหลวงพ่ อ, อเวลากลัวหลวงปู่บุญจันทร์ได้เนี่ยจะพยายามที่ว่ากำหนด ให้พุโทโธอยู่กับใจของตัวเองอ่ามันมีความกลัวมีความกลัวแล้วก็รักษาพุโทโธให้มันอยู่ต่อเ น, นื่องพุโทโธอยู่ต่อเ น, นื่องแล้วนี่เวลากําหนดก็ดูที่ว่าถ้าเราในช่วงหลวงพ่อหนุ่มอยู่นั่นน่ะมันก็อ่ามันติดรูปอ่ามันคิดยึดยึดรูปนั่นแหละส่วนมากอ่าถ้าเห็นผู้หญิงเนี่ยถ้าเห็นผู้หญิงหรือคนเป็นคนหนุ่มเนี่ยมันก็คิดไปแหละ คิดไปไปคิดไปติดไปรักนั่นแหละหลวงพ่อก็เลยวิธีแก้ของหลวงพ่อก็ว่ามาดูหนังเน่าของตัวเองให้ศพของของเรามาดูศพของเรา อ, อย่าให้มันไปคิดถึงคนอื่นอันนี้วิธีทำทาแบบนี้อันนี้เราก็มีกายเหมือนกันมีความคิดความนึกเหมือนกันอันนี้แหละให้คิดนึก้อมเข้ามาหากายของตัวเองนี่แหละอันนี้ จะแก้ความหลงของตัวเองแต่ก่อนเรามันยึดติดว่าตัวเราของเราขาเราแขนเราตัวกูขากูแขนกูทำเรื่องนี้มันยึดติดต่อมาถ้าเราดูหนังเนา่าตัวของเองตัวเองชำนาญแล้วเนี่ยเรื่องความที่ว่าความยึดติดเนี่ยมันมันเห็นแล้ววันมันเห็นล่างกระดูกเห็นหนังเน่าของตัวเองเห็นศพของเราเป็นดินโอ้โห ที่เรามาเวียนว่ายตายเกิดนี่มาเกิดชาติไหนก็ช่างก็ต้องตายอยู่แบบนี้เนี่ยแต่ก่อนจะตายแต่ละทีเนี่ยอ่าไม่รู้ว่าประพฤติที่ว่าอ่ามันโลกเนี่ยมันวุ่นวายอยู่ในสมัยในก็ช่างก็มีการที่ว่ายิ่งแย่งชิงอ่ายื้อแย่งอํานาจชิงอํานาจแต่ละชาติเร า, าพบที่เรามาเกิดเจออ่าแต่ละสมัยเนี่ย เปลี่ยนนายกไม่รู้ว่ากี่เที่ยวหรือว่าเป็นคนเผ่าถ้าเป็นคนเผาก็เผาที่เขากลุ่มใหญ่กลัวเขาก็มาไล่ล่ามาฆ่าทำนองนี้เบียดเบีย น, ยนแย่งอาหารแย่งเอาคนแย่งเอาประชากร น, นี่แหละเกิดสงครามอยู่ทำนองนี้ยุคสมัยคนน้อยมันก็เป็นคนเผานั่นะยื้อแย่งกันฆ่าฟันกันอยู่ทำนองนี้แหละช่วงเรามาเกิดคนมาก เราก็เห็นอยู่แบบนี้ที่เราผ่านมาเนี่ยยุคคอมมินิทยุคปฏิวัติปฏิรูป อ, อั น, อ น, อนสั น, นนะจิตปฏิมาอะไรที่เขาปฏิวัติปฏิรูป ก, กันอยู่เนี่ยเราก็เจอทำนองนี้แหละบ้านเมืองของเราก็ที่ว่าสันคอนอยู่ อ, อย่างคอมมนอินิทอย่างเนี่ยมันก็หลายปีนี่แหละให้พวกเราคิดดูว่าหลุดจากนั่นมาแล้วทุกวันนี้ก็ยังมี ทำนองนี่แหล ะ, ะยังเกิดละหองละแหงกันมาเรื่อยๆอไม่มีที่ว่าชาติใดที่เราจะอยู่สงบสุขนะไม่ค่อยมียื้อแย่งกันอยู่ทำนองนั้นในสมัยขัง้งพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ยังมีการลบการฆ่ากันอยู่แบบนั้นนะระหว่างเมืองนั้นเมือง น, องนี่เมืองสาวรรคีเมืองเ ว, วสารีทำนองนี้ก็ฆ่ากันลบกันเมืองราชสัก์เมืองอะไรก็ลบกันอยู่ทำนอง น, นี้ อันนี้แหละความอยากเป็นใหญ่ความโลกของคนคนเกิดขึ้นมาแล้วก็มีประเภทนี่แหล ะ, ะมีความอยากได้มากๆอยากต้องการมากๆนั่นแหละท่านจึงว่าโลกคือหมูสัตว์อันสลาต้อนไปอยู่มันเป็นแบบนี้ให้พิจารณาเข้ามาดูความสลาคํำค่าของเราเราเกิดมานี่เราเนึกว่ายังไม่เจนะอะน แต่ยังมีก็มีพวกเด็กๆมาเรียกย่าคุณยายคุณยา่านะเออเรานี่ยแก่พอสมควรแล้วเขามาเรียกพ่อเรียกแม่เรียกป้าเรียก ล, ลุงแล้วให้เราคิดกระตุ้นเข้ามาเออมันเหลืออีกกี่ปีให้เรากระตุ้นดูแบบนี้ถ้าเราฝึกตายก่อนตายจริงมาฝึกดูหนังเน่าก่อนอที่มันจะหมดชีวิตไปนะอันนี้แหละเราจะได้กําไรชีวิตอ่า ถ้ามันเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาแล้วมันจะเกิดความเบื่อหน่ายในการเวียนว่ายตายเกิดในการท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอ่าที่เราเกิดมานี่เราเคยรวยมาแล้วแต่ชาติก่อนพบก่อนเคยรวยมาเคยจนมาเคยเป็นผู้คน พ, พิการมาไม่รู้ว่ากี่แสนกี่ล้านที่ออกมาแล้วที่เรามาเกิดมาตายนะให้เราคิดแบบนั้นอย่าคิดว่าเพิ่งจะเกิดชาตินี้ชาติเดียว ถ้าใครคิดว่าตัวเองเพิ่งจะมาเกิดชาติเดียวนะั้นคนนั้นคิดผิดแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคนแต่กิจแต่ละดวงเนี่ยมาเวียนว่ายตายเกิดนี่คนละหลายล้านเที่ยวอันนี้แหละไม่รู้ว่าเมืองที่เรานั่งอยู่เดียวเนี่ยน ะ, ะบางทีมันเคยเป็นเมืองหลวงมาแล้วเป็นป่าเป็นดงก็เตือนโลกออกไปเป็นเมืองเป็นบ้านเป็นที่อยู่อาศัยของ คนกลุ่มนั่นกลุ่มนี้มาเนี่ยหลายล้านที่ออกมาแล้วเนี่ยมันสลับสับเปลี่ยนกันมาทำนองนี้อ่าคนเราเกิดขึ้นมาเนี่ยทุกคนที่เกิดขึ้นมาแนละ้วต้องการความความดีกันทุกคนอ่าอยากร่ําอยากรวยอยากสวยอยากงามอยากดีกันทั้งนั้นไม่ต้องการความขี้เหละไม่ต้องการความแจ่ความเจ็บความตายความยากจนเขินใจไม่ต้องการสักคนอันนี้แหละผลกรรมของเราที่ผักดัน ที่เราเวียนว่ายตายเกิดมาใด น, นี่เร่าเกิดมานี่มันผิดหวังหลวงพ่อว่าเล่าเกิดมานี่เกิดมาผิดหวังแต่ละศาติละภพที่สมหวังที่ว่าตัวเองสมหวังมันก็ไม่สมหวังอยู่นั่นแหละจะเกิดขึ้นมามียศถาบรรดาศักดิ์จะมีเงินทองมากมายก็ช่างในที่สุดก็แก่ก็เจ็บก็ตายหมดสิทธิ์หมดอำนาจตายจากทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมา อันนี้ไม่รู้ว่ากี่เที่ยวมาแล้วที่เราเกิดขึ้นมาเป็นคนพิกลพิการเนะี่ยมันไม่สมหวังที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมีความหัวเลาะร้องไห้สลับกันอยู่แบบนี้โลกคือหมู่สัตว์อันสลาร์ตอนไปอยู่อาทูโวเป็นผู้ไม่ยั่งยืนอัตโนโลโกโลกไม่มีผู้ต่อต้านอันนี้แหละเราไม่ต่อต้านอะไรละ่ะที่เราต่อต้านไม่ได้ความแ่ความเจ็บความตายเนะี่ย เราต่อต้านไม่ได้อันนี้มันต้องไหลไปของมันมันเวียนไปของมันอ่าไม่ต้องการให้อ่าผมมันงอมันก็จะเป็นไปละอ่าไม่ต้องการให้ฟันมันล่วงออกมันก็เป็นของมันอันนี้แหละหนังของเราก็พยายามหาครีมหาเครื่องแต่งตัวหาเครื่องสําอางมารักษาธนุถนอมแม้แต่ร่างกายของเรานี่หายาดีๆมากินเอาไว้รับทานเอาไว้ อยากให้มันต่งตึงอยู่ตลอดไม่ต้องการให้มันแก่มันก็รักษาไม่ได้อันนี้แหละปู่ย่าตายายของพวกเราเป็นอย่างไรเราก็ต้องเป็นแบบนั้นอันนี้บรรทบุรุษที่ท่านตายไปก่อนเราเนี่ยไม่รู้ว่ากี่คนมาแล้วอันนี้ทายาทของเราเสื้อสายของเราอันนี้ให้เราคิดดูว่าก่อนที่เราจะได้หมดชีวิตไปเนี่ยให้ฝึกเล่งทาความภาคความเพียรก้มที่ว่า เออถ้าถ้าแก่ไปแล้วเนี่ยมันก็ตายเหมือนหมดทุกคนนั่นแหละแต่การตายการที่ว่าหมดชีวิตนะ่ะเออตายใจขาดเหมือนกันแต่คนที่ท่านที่ว่าฝึกภาวนาเนี่ยการฝึกภาวนาเร่งภาวนาเนี่ยถ้าจิตของเราได้รู้ได้เห็นแล้วเนี่ยมันจะคุ้มค่ามันจะได้เห็นว่าโอ้ชาติความเกิดสลาความแก่เนี่ยเราเห็นเป็นวัตทุกข์มาแล้วที่เรามาเวียนว่ายตายเกิดมัน ประเมินให้ตัวเองเลยถ้าจิตของเรามันลงมันได้เกิดความรู้ความเห็นนะมันจะประเมินไว้แล้วโอ้ถ้าเราต้องการมาเกิดอยู่เนี่ยเราก็มาได้ความแก่ความเจ็บความตายเหมือนกับที่มันผ่า น, ผ, านผ่านมานี่ใจของเราเนี่ยถ้ามันได้รู้ได้เห็นแล้วมันเกิดความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายเพราะเห็นซากศพของตัวเองเต็มเกื่อนในผืนแผ่นดินนี่ท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิด ไม่รู้ว่ายุคไหนสมัยไหนที่เรามาเวียนว่ายตายเกิดในเมืองแถวจังหวัดสารคามแต่ก่อนมันก็เคยเป็นบ้านเป็นเมืองมาแต่มันก็สลับมาเป็นโดงเป็นป่าประมาณ300ปีก่อนนะีถ้าแถวนี้มันก็จะเป็นโดงอยู่นั่นแหละจะเป็นโดงเป็นป่าอยู่นั่นแหล ะ, ะในยุคขอมในยุคขอมอปกครองอยู่นะก็เป็นบ้านเป็นเมืองเขาอีกนั่นะ เลยไปนั่นไปอีกก็เป็นดงเป็นป่าอีกเลยไปอีกอมันสลับกันมาทำนองนี้อมันเวียนว่ายตาเกิดปา่าหรือว่าทุ่งนาที่ทำอยู่ทากินเนี่ยที่เราอยู่อาศัยเนี่ยมันก็สลับสับเปลี่ยนกันซื่อบ้านซื่อเมืองก็เปลี่ยนมาทำนองนี้อันนี้จิตวิญญาณของเรามาเกิดมาตายอยู่ในโลกอันนี้มันเป็นมาทำนองนี้อันนี้แหละถ้าเรา จิตของเราได้รู้ว่าภพชาติของเราที่มาเวียนว่ายตายเกิดนะเป็นสัตว์เนี่ยหลายล้านเที่ยวที่มาเกิดเป็นคนนี่ก็หลายแสนเที่ยวแต่ละจิตวิญญาณของเราแต่ละคนละคนมันมาทำนองนี้อันนี้หลวงพ่อที่ว่าสละตายนะจึงได้รู้ได้เห็นตัวนี้อ่ามันเกิดขึ้นมาอ่ามันได้รู้ได้เห็นที่ว่าหลวงพ่อก็ยังไม่แก่พอสยียบสองนะก็ยังเป็นคนหนุ่มอยู่นั่นแหละอ่าก็ที่ว่าเรื่อง กิเลส ต, ตันหาเรื่องราคะเนี่ยมันรุนแรงมันเกิดพอมองเห็นเด็กนักเรียนเขาใส่บาตให้น้ำก็คิดเอาเป็นลูกเป็นเมียขึ้นมาทํำน้องนี้อันนี้แหละความรุนแรงของอเรื่องราคะเรื่องความอยาดความโลภของตัวเองที่มันคิดขึ้นมานิสัยของคนมันเกิดขึ้นมามันทํำน้องนี้แต่มันที่ว่าพอเจอแล้วนี่มันเกิดครูบาอาจารย์ทักให้ดูหนังเน่าได้แล้ว ต่อมาได้ดูหนังดูกระดูกแล้วก็มาฝึกดูวั น, นี้พอหลวงปู่ขาวทําหนังเน่าให้แล้วหลวงปู่อ่อนก็เสริมไม่อีกอ้าวอ้าวจากวันนี้ต่อไปเราไม่ต้องสั่นข้าวจะ ก, กี่วันก็ช่างเราจะอดข้าวจากวันนี้ไปมันจะ ก, กี่วันก็ช่างให้อ่าให้มันตายไปเลยนะมันสละตายอันนั้นแหละจิตมันสละตายจิตใจของเรามันสละตาย อดข้าวไปได้สี่วันมันก็ได้เห็นพบชาติของตัวเองแต่ชาติก่อนของหลวงพ่ออีกที่ว่าเกิดมาเป็นผู้ชายนะชาติก่อนก็เคยเป็นผู้ชายนะแต่ก็ถูกเสือกัดเสือตบนั่นแหละก็ตายเพราะถูกเสือตบนะเห็นศพของตัวเองที่ถูกถีบเสือตบแล้วก็โอ้ชาติก่อนของเราเคยเกิดแบบนี้เคยตายแบบนี้มันก็เออแต่ก่อนเราไม่เคยเห็นชาติก่อนของเราวันนี้เราได้เห็นแล้วมันก็ดีใหญ่นะั่นะ มันเกิดมันเกิดความเห็นความรู้ความเห็นแบบนั้นถ้าถ้าเห็นแบบหลวงพ่อมันได้กําลังใจมันมันก็ที่ว่าอ้าวพยายามที่ว่าให้มันสู้กับเวทนาทุกขเวทนาที่ที่มันสู้วิธีสู้นะวิธีสู้ทุกขเวทนาของหลวงพ่อเนี่ยมันเอาแบบที่ว่าอ้าวอ่ะไหนมันจะขาดให้มันขาดไปเลยกระดูกชิ้นไหนมันจะแตกให้มันแตกไปเลยอ่ะสะโพกมัน ปวดร้อนขึ้นมาเนี่ยมันเจ็บมันแสบมันร้อนเหมือนกับเป็นไฟเลยแหละมันเกิดขึ้นมานอ้าวเปลือยเลยเน่าเลยเราไม่ขยับตัวเราไม่ขยับตัวเราไม่เปลี่ยนอริยบทเนี่ยวิธีสู้กับทุกขเวทนาก็าอาศัยเนอาศัยศรัทธาถ้าไม่ได้เข็นหลวงปู่ขาวทําให้ดูหลวงปูงป่อ่อนทําให้ดูหลวงตามหาบัวเทสให้ฟังหลวงพ่อก็ไม่มีศรัทธาตัวนี้ อันนี้การได้ยินได้ฟังหลวงปู่บุญจันทร์หลวงปู่ขาวหลวงปูงป่อ่อนหลวงตามหาบัวสอนให้แล้วนั่นมันเกิดความเชื่อมั่นว่าครูบาอาจารย์เหล่านี้ท่านเป็นผู้วิเศษท่านปรับพฤติปฏิบัติถึงเป็นขั้นพระละหันแล้วท่านมาจากไหนท่านก็มาจากคนเอา้าเราก็เป็นคนเหมือนกัน เ, เราไม่มีสิทธิ์หรือเอา้าท่านก็ทำยังทําได้เราก็จะทําไม่ได้หรือมันมันขึ้นแบบนี้ อันนี้แหะค่ะศรัทธาศรัทธาตัวนี้มันฮึดมันฮึดมันขึ้นมันก็เลยว่าอ้าวตายเป็นตายจะกี่วันก็ช่างเราจะอดข้าวนั่นนั่งครั้งนี้เป็นข้างสุดท้ายคําว่าลุกของเราไม่มีนั่นมันพุดขึ้นมาเวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นเนี่ยอ้าวแตกเลยกระดูกิ้นไหนมันจะแตกเราเคยเจ็บเคยปวดมาเนี่ยที่เราตายแต่ละภพภราตเนี่ยตายแล้วตายอีกอยู่เนี่ยอ่ามันก็ทุกทํานองนี้แหละ อันนี้ครูบาอาจารย์พาให้เราได้รู้ได้เห็นแล้วเนี่ยดูหนังเน่าเห็นหนังเน่ากับหลวงปู่พุนจันทร์แล้วเห็นล่างกระดูกกับหลวงปู่ขาวแล้วมันอของหลว่ามันเห็นสมมุติตัวนี้แล้วมันก็จ้องดูหนังเน่าของตัวเองพยายามที่ว่าอันนั้นเป็นของหลครูบาอาจารย์ซีให้เราบัด น, นี้เรามาพยายามที่ว่าแยกแยะของตัวเองบั น, นี้หาวิธีหาวิธีสู้กับทุกขเวทนา วิธีจะให้มันเลยเลยทุกขเวทนานี่แล้วก็หาเอาบปนี้คนเองลมหายใจเข้าออกก็จริงแต่การกำหนดนี่กหนดดูหนังเน่าของตัวเองอสติมันดูหนังเนา่าแต่ถ้าคนติดสมาธินี่มันมั น, ม, นมันเอาความสงบท่าเดียวนะเอะ้ความสงบในในการติดสมาธินั่นเอาดูเท่า นั่งเฉยๆอยู่อารมณ์ว่างๆอยู่นั่นอันนั้นไม่ถูกน ะ, ะสมาธิรุ่นนั้นน ะ, อะของหลวงพ่อก็เคยเป็นอของหลวงพ่อเป็นแต่พรรษาแรกเลยบวชเข้ามาพศ20เนี่ยจิตสงบได้เลยในพรรษาแรกติดความสงบตัวนี้แหละจิตสงบแล้วเนี่ยมันก็เห็นที่ว่าแสงสว่างเต็มกุฏิเลยน ะ, ะแสงสว่างเต็มกุฏิเลย แบบนี้มันแสงที่ว่านวลอยู่นั่นแหละครั้งที่สองอีกจิตสงบอีกครั้งที่สองเนี่ยดูลมหายใจเขาออกเนี่ยจมูกตัวเองเนี่ยเต็มกุฏิเลยจมูกมันโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้ น, น, น, นดูลมหายใจเขาออกมันก็เห็นความสงบนั่นแหละก็ติดความสงบอยู่นั่นน่ะแต่มาถึงพศ22จึงได้อุบายจึงที่ว่ามันไปลักสาวนักเรียนแล้วก็หลวงปู่บุญจันทร์พูดให้แล้วก็ ได้ดูหนังเ น, าน่านะมันจึงเล่งเอาวันเล่งเอาพศ22 น, นะก็ที่ว่าเอาสละตายเพื่อทำหลวงพ่อจึงกล่าวพูดว่าสละตายเพื่อทำฝึกตายก่อนตายจริงอันนี้แหละมันเจ็บมันปวดเนี่ยเหมือนจะตายจริงๆนั่นแหละอ่าสู้กับทุกขเวทนาไปเนี่ยความเจ็บความปวดมันเกิดขึ้นมาโหมขึ้นมาโหมขึ้นมาแต่ของหลวงพ่อมันมีที่ว่ากองเสีย อ่ามันเจ็บขึ้นมารุนแรงขึ้นมาในที่สุดมันพุทธขึ้นมาอ้าวอ่าศพที่เขาตายไปแล้วเนี่ยศพที่เขาขึ้นกองฟอนแล้วไฟลุกขึ้นไม่เห็นศพไหนมันวิ่งหนีเราก็ไม่ลุกนะเราก็ดูพอพอตัวนี้มันพุธขึ้นมามันมันเป็นกำลังใจมันก็ดูเออจริงนะเรานั่งขณะนี้เรายังไม่มีเปลวไฟยังไม่มีฐานไฟมันก็บอกตัวเองแบบนี้อันนี้มันได้กาลังใจขึ้นมาเรื่อยๆในที่สุด ทุกเวทนารุ่นแรงขึ้นมาอีกพุทธขึ้นมาอีกที่สองเนี่ยอันนี้เป็นกองเสียมันพุดขึ้นมากองที่สองเนี่ยว้าวทุกขณะนี้ก็กลัวตายหรือที่เราไปตกอเวจีนรกนะ่ยนะหลายกลับหลายกันพอได้ยินว่าคําว่ากับว่ากันเนี่ยมันก็ได้ยินว่าคําว่ากับหนึ่งกับนะหลวงปู่วุญจันทร่านก็เทศให้ฟังท่านว่ากับหนึ่งพระพุทธเจ้านั่นแหละท่านก็บอกมามาแล้วหนึ่งกับ ท, ท่านเทียบอุปมาบอกว่ามีหลุมมีหลุมหลุมลึกใหญ่กว้างกว้างโยดลึกโยดร้อยปีมีเทวดาเอาเมล็ดงามาทิ้งลงมเมล็ดหนึ่งร้ อ, อยปีหลังอีกมาทิ้งอีกมเมล็ดหนึ่งถัดไปอีกร้อยปีเอามาทิ้งประมาณหมื่นหมื่นปีนี่ก็ได้แค่ร้อยเม็ดนะถ้าแสนปี ก็จะประบานพนะันเมตรนะนะจะอยู่นั่นจีกับจีกันอาจจะจะเป็นเท่าไรล้านปีลุ่มที่ว่าก้วงโยดลึกโยดหนึ่งเมล็ดงาจะเต็มอันนั่นแหละท่านบอกว่าเป็นหนึ่งกับอันนี้แหลทีม่มันเกิดเสียงขึ้นมาสอนหลวงพอ่อเนี่ยมันบอกว่าที่เราไปตกอเวกีนะ่ะหลายกับหลายกันนั่นมันบอกขึ้นมาทํานี้ อ้าวที่เรานั่งอยู่แล้วนี้ยังไม่ข้ามคืนข้ามวันทุกแค่นี้ก็กลัวตายหรือนั่นมันก็ดีใจละมันก็เลยไปอีกอก็กําหนดแบบนี้แหละอ้าวจิตของเรามันทําไมจึงไม่ปล่อยไม่วางสักทีก็กําหนดดูหนังเน่าของตัวเองให้มันเป็นดินในที่สุดเป็นดินเปลือยเน่าเปลือยเน่าแล้วก็ลงเป็นดินเปลือยเน่าแล้วก็ลงเป็นดินในที่สุดมันสํานาญ การดูโสดของตัวเองให้มันเป็นดินเนี่ยมันชนานาญพอมันชนานาญแล้วมันก็มีตัวหนึ่งขึ้นมาว่าอ้าวเราวิจารณากายนี่เปรียธาตุดินนี่เราชนานาญแล้วจิตของเราทําไมไม่ปล่อยวางอุปทานมันกระซิบขึ้นมาว่าอุปทานพอได้ยินแค่นั้นแหะเราไม่ยึดผางขึ้นมาเลยตัวตัวเนี่ยเสียงเฉพาะเสียงผู้รู้สะพ้อผู้รู้ เป็นปัจจุบันนกิจปัจจุบันธรรมขึ้นมาแบบนี้มันได้รู้นะแบบนี้อันนี้ของหลวงพ่อมันเป็นแบบนี้มันมีกองเสียมันมีที่ว่าทุกขเวทนาเกิดขึ้นมามันก็มีอ่าอ่ามีกองเสียมาช่วยอ่ามันมีเสียงนั้นเสียงนี้ขึ้นมาสอนเป็นเปาะเป็นเปาะมาเรื่อยๆอันนี้มันก็ที่ว่ามีหลวงปู่กุญจันทร์หลวงตามหาบัวอ่าหลวงปู่ขาวปู่อ่อนช่วยอันนี้ของหลวงพ่อมันมีครูบาอาจารย์ช่วยนะอ่าท่ายม ถ้าโยมเกิดแบบนั้นมันก็เดินไปสะดวกถือว่าสะดวกแต่ว่าหลวงพ่อว่าเลยตาย อ, อยู่เลยตายไม่ใช่ว่าจากเป็นของง่ายถือว่าในครั้งพุทธการอย่างพระจากครูบาลแบบนี้อดทนนะไม่นอนจนตาแตจากจักษุแตกนั่นให้เราคิดเอาเราอย่าคิดเอาเปียบเอาลัดคูบาอาจารย์ ภาษาของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้รู้ทำเห็นทำท่านอดสาพยายามที่ว่าอดข้าวอดน้ำเดินข้ามเขาลูกนั้นลูกนี่เนื้ อ, อบาแตกบาโพงฝาเท้าก็ไม่รู้ว่าจ ะ, ะแดงยังไงละ่ะสมัยก่อนยังไม่ยังไม่มีรองเท้าน ะ, ะนั่นหละให้เราคิดดูอันนี้เราเกิดขึ้นมาในยุคนี้สมัยนี้เราก็ที่ว่าได้ยินได้ฟังแล้วก็มีตาหลับตาําราท่านอาจารย์มหาบัว หลวงตาท่านาเทศใส่ซีดีใส่เทปใส่อะไรเรากดฟังได้เลยนั่นแหละให้เราคิดดูว่าเราอย่าเอาเปรียบเอาลัดครูบาอาจารย์เกินไปให้เราคิดว่าทุกทรมานเนี่ยต้องทุกต้องทนทุกทรมานการฝืนดูทุกนี่แหละที่ว่าทุกแผดเผานะการดูทุกคะเวทนาเนี่ยมันก็จะเทียบเข้าไปเลยเพราะเราเห็นของเราทุกมันเป็นของเราที่เรา บนี้เวลามันเกิดทุกเวทนาเนี่ยพยายามแยกแยกจิตออกจากกายเนี่ยวิธีมันแยกจิตออกจากกายก็มาดูหนังเน่าเนี่ยะมาดูหนังเน่าพยายามปฏิเสธตัวเองว่าไม่มีตัวไม่มีตนเราคือธาตุดินน้ำลมไฟเราเป็นธาตุดิน้าใจมันออกไปแล้วถา้าจิตวิญญาณมันออกไปแล้วเนี่ยมันเหลือแต่ธาตุดินอยู่นี้ลมมันก็หายไปธาตุไฟธาต ความอบอุ่นมันก็หายไปมันเหลือแต่ธาตุดินกับธาตุน้ำ ม, มันจะเน่าเฟะอยู่นี่นอนจะกินอ่าอ่าส่วนผมของเราขนของเราใจขาดแล้วมันก็ยาวเพิ่มไปเรื่อยๆนะเพราะมันดูดน้ำเหลืองมันกินน้ำเน่าน้ำเหลืองของเราผมจะยาวไปเรื่อยๆอันนี้ศพของเราให้ดูศพของเรานี่แหละอย่าไปเอาสิ่งอื่นการดูอะไว่าอาสุพระท่านบอกว่าอสุพระ ก็ดูศพนี่แหละมาดูกายของเราเนี่ยแหล ะ, ะจะสวยงามแค่ไหนก็ช่างตายน ะ, ะจะกินยาดีแค่ไหนก็ช่างตายนั่นแะหละยศถาบรรดาศักดิ์มีไว้ป้องกันความแก่ไม่ไดนะ้เงินทองกองสมบัติจะช่วยเราไปถึงไหนไปถึงโรงพยาบาลเวลาไปถึงกองฟอนแล้วเนีนะ่ยไฟไหม้หนระือเขาเอาเข้าเมมเอาเข้าเตาเอาเข้านทะ่อ ฟังนะทำลองนี้แหละอใ น, นที่สุดเราก็ตายนั่นแหละอันนี้แหละร่างกายของเรานี่มันบอกไม่ฟังแล้วไม่ให้มันแก่มันก็แก่อ่าต้องการอยากจะเป็นคนหน่มอยู่นั่นแหละมันก็แก่ไปเรื่อยๆของมันช่วงเป็นเด็กก็อยากโตนะช่วงเป็นเด็กนะอ่ามันร้องให้เวลาร้องให้ร้องพ่อชิดได้นะช่วงเป็นเด็กครั้งหนึ่งอ่าแม่ไป แม่ไปไม่ไม่ให้ไปด้วยแม่ไม่ให้ไปด้วยแล้วก็ร้องให้ร้องให้เหนื่อยเหนื่อยไปเหนื่อยไปมันก็คิดขึ้นมาเอเรานี่แม่ไม่ให้เราไปด้วยเราจะร้องให้อยู่นี่ถึงจะเดินตามไปแม่ก็จะห้ามอยู่อย่างเดิมอถ้าเราล้องให้อยู่นี่ก็ไม่มีเกิดประโยชน์อะไรเราก็เหนื่อยเปล่าเราเราเป็นคนร้องให้เราก็เหนื่อยอ่เอ้าเราหยุดดีกว่า ม, มันมีความคิดแบบนี้นะเป็นเด็กนะอันนี้แหละวิธีหาวิธีแก้อ่าวิธีแก้อ่าการเวียนไหวตายเกิดของเราอ่าที่เรามาเวียนไหวตายเกิดอ่ามันเป็นสัตว์อ่าที่มาเป็นสัตว์บก ส, สัตว์น้ำเนี่ยอ่าถ้าเกิดเป็นวากวายแบบนี้เขาก็ใส่กุยนันใส่ล้อใส่ไถสารพัดนั่นแหละอ่าในสมัยก่อนนะยังไม่มีรถนะอ่ะาก็ก็ใส่ทําร้อนี่แหละลากล้อลากไถนี่แหละล ถ้าลำบากเวลาตายเวลายังไม่แก่ถึงตายเขาก็ขายซะอเอาไปฆ่าซะเขาขันคอเขาแทงเขาแแหล่ซ้ำแหล่หนังซําและเนื้อไปกินนะอันนี้แหละเป็นสัตว์ถึงจะที่ว่าทำการทํางานให้มนุษย์มนุษย์ก็ยังกินอยู่แบบนั้นเขาไม่ได้เห็นคุณค่าของเราอันนี้แหละให้เราคิดดูถ้าเกิดเป็นสัตว์บกสัตว์น้ําอะไรก็ช่างละ เกิดมานี่ก็เป็นอาหารของสัตว์ที่ตัวมันมีอํานาจกว่าเราหน่าแหละอ่าพวกสิงโตก็กินกวางกินเก้งกินอ่าตัวมันเล็กอยู่น้าป่านั่นแหะอ่าพวกสิงโตพวกเสือเหลืองเสือโคร่งเสือดาวน่ะพวกงูก็กินลัดกินอ่ากินแม่ทั้งเสือก็กินสิงโตก็กินถ้างูเหียวมันลัดทันนะนั่นแหละมันก็กินอ่าถ้าอยู่ในน้องน่ะอยู่ในน้ําจระเข้ก็กินอ่า ถ้าเป็นปลาตัวเล็กๆปลาตัวมันใหญ่ก็กินนะอันอยู่แบบนี้อ่าจิตวิญญาณอันเดียวนี่แหละที่เราเนี่ยแหละอ่าจิตวิญญาณของเราเนี่ยแหละถ้าเราทําความไม่ดีนะถ้าเราทําบาปทากรรมเราก็จะไปตกนรกอ่าถ้าถ้ากรรมหนักนะก็ไปตกนรกซะอ่พ้นจากนรกมาก็มาเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยมาเป็นสัตว์น้ําสัตว์บกเวียนไหวตายเกิดอยู่ทํานองนี้ อันนี้แหะการท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดของเรามันเป็นทุกขนะ์มันประเมินนะมันประเมินว่ามันประเมินให้ตัวเองที่ว่าการท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดของหลวงพ่อเนี่ยมันเห็นที่ว่าที่ว่ามันจะเข็ดหลาบในวัฏฏะสงสารเนี่ยมันเต็มเกื่อนไปด้วยล่างกระดูกเต็มพื้นแผ่นดินเนี่ยพื้นแผ่นดินเนี่ยเราไม่มองเห็นแค่สายตานะมันไม่เหมือนสายตาความรู้อายจิต หรือว่าตัวลู่มันลู่ขึ้นมาเนี่ยมันเขียนเหมือนแต่ว่าแผ่นดินกว้างไกลอ่าเตือนลงไปหมดเนี่ยเต็มไปด้วยล่างกระดูกโอ้กระดูกที่เต็มผืนแผ่นดินอยู่นี่ของใครอันนี้กิดถามนะตัวผู้ลูน่นี่พระธรรมนตอบขึ้นว่าเอา้ากระดูกที่มองเห็นอยู่นี่เป็นกระดูกของเราทั้งหมดที่เรามาเกิดเป็นสัเดลสารนี่หลายล้านเที่ยวที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นี่หลายแสนเที่ยว อา้าวท่อนยาวๆใหญ่ๆของไทยอ่าของอะไรเนี่ยอา้าวแปดหมื่นปีก็เคยเกิดกับเขามันต่อขึ้นมาทํานรงนี้อันนี้แหละมันเห็นท่อนกระดูกยาวๆใหญ่ๆมันใหญ่กว่าไดาโนเสาร์นะกระดูกไดโนเสาร์ที่พวกเราว่าใหญ่เนี่ยยังไม่เท่าของหลวงพ่อหลวงพ่อเคยเกิดมาแล้ว8ปดหมื่นปีเจ็ดหมื่นปีหก0 0 0่นปีเคยเรียนไหวาตายเกิดมามันเข็นแบบนั้นะมันบอกว่าโอ้ไดโนเสาร์เนี่ยเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยแค่นั้น ถ้าเทียบแล้วมันก็เหมือนกับพวกตะกวดแบบเนี้อ่าเป็นตะกวดเป็นอ่าพวกอ่าจระเข้แบบเนี่แหละเป็นกระดูกแค่นี้แหละอ่าแท้ที่จริงพวกเราก็ตัวใหญ่มาเหมือนกันอันนี้แหละการเวียนว่ายตายเกิดเป็นวัดตทุกข์เป็นวัดตวันมันขึ้นมาเลยนั่นแหะมันก็เลยสอนตัวเองว่าโอ้เราจะมาเกิดทําไมเพราะพระพุทธเจ้ามาตารัสรู้ในโลกนี่สามล้านกว่าองค์เราไปอยู่ที่ไหนเราไปอยู่ที่ไหนมันร้องขึ้นเลยนั่นแหะ มันล่องขึ้นมันเข็นแบบนั้นอ่าถ้าใครเห็นแบบนั้นล่ะใจของเราเนี่ยอ่าจากความยึดติดนะมันจะมันจะละมันจะวางมันจะวางเหมือนกับฝ่ามือของเราแต่ก่อนมันมีแต่จะเอาเหมือนกับฝ่ามืออ่าต่อพอมันได้เห็นแล้วเนี่ยมันเหมือนกับหลังมือพอหมดพอหมดแรงมันก็ทิ้งไปเลยมันเป็นแบบนี้อันนี้ล่ะให้ใจของเรานี่เบื่อหน่ายก็ต้องมาฝึกความยึด ถ้าเรายังมีความอาลัยความรักความชังความโปวดความเกลียดรักก็ติดยึดก็ติดอันนี้แหละท่านปฏิเสธตัวเองไม่ให้มีไม่ให้มีตัวไม่มีมีตนนั่นล่ะอดีก็ไม่เอาชั่วก็ไม่เอานั่นถึงเวลามันแต่ก่อนมันมีความอยากนะแต่หลวงพ่อว่าถ้าไม่มีความอยากถ้าไม่อยากถึงมรรคผลนิพพานถ้าไม่มีความอยากตัวนี้นี่ไม่เห็น ต้องมีความอยากตัวนี้ความอยากตัวนี้รุนแรงอ่าความอยากตัวนี้รุนแรงแต่ในที่สุดน่ยปฏิบัติมาปฏิบัติมาเนี่ยสลัดออกหมดไม่เอานั่นมันเป็นแบบนั้นอันนี้แหละให้ใจของเราฝึกหัดอย่าคิดว่าตัวเองอ่าหมดโอกาสแล้วอ่าเราไม่ได้บวชเกิดมาชาตินี่เป็นผู้หญิงทํานองเนี้ยผู้หญิงก็ปรึกปฏิบัติได้อ่าผ้านางเขมาอ่าผ้นางเขมาที่ว่านี่ยเป็นอ่า เป็นลาชินีองค์เล็กของพระเจ้าพระเจ้าพิพิสารเมียงกุงราชาคือเนี่ยเวลาท่านภาวนาเนี่ยท่านรอบออกไปดู อ, อยากจะแอบไปดูกุฏิพระพุทธเจ้าอยากไปดูพระวัดเชตวันวัดวัดเวรุวันอยากจะไปดูตอนเช้าตอนที่พระพุทธเจ้าไปบิณทบาทจะลอบไปดูจะแอบไปดูทํานองเนี่ย แต่บางเอื่นพระพุทธเจ้าก็ประทับอยู่ที่นั่นท่านก็รอเลยพอพระนางเขามาไปไปเจอแล้วน่ยอ่าพระนางเขามาก็ตะลึงเลยเห็นรูปโสมของพระพุทธเจ้าโอ้เราเกิดมาเราไม่เคยเห็นบุรุษใดที่จะสวยถึงขนาดนี้เราไม่เคยเห็นบุรุษใดจะมาสวยจะมาหล่อแบบนี้ตะลึงเลยพระนางเขามาเห็นรูปนิมิตที่พระพุทธเจ้าทํารูปนิมิตรูปจําแรงขึ้นมา ถวายงานพัดนะั้นเป็นรูปหญิงอ่ารูปหญิงเป็นเด็กหญิงอ่าเป็นรูปหญิง14บสหปีถวายงานพัดอ่าพระนางเขมาตาจ้องอยู่อ่าในรูปนั้นต่อมาพรธเจ้าก็ทําเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่าเป็นอายุ16 17ไปเรื่อยๆในที่สุดก็แก่ในที่สุดก็อ่าเจ็บป่วยแล้วก็ล้มลงตายเพราะตายแล้วนี่นอนก็กิน กินศพนั้นพระนางเขมาดูไปเรื่อยๆจิตของพระนางเกิดขึ้นว่าโอ้เราไม่นึกว่าเราจะแก่จะเก็บจะตายอันนี้ศพที่เรามองเห็นอยู่เดียวนี่ยิ่งสวยกว่าเรายิ่งสวยกว่าเราก็ยังแก่ยังเก็บยังตายพระพุทธเจ้าได้ในช่วงนั้นะ่ะท่านพระพุทธเจ้าก็เทศสอนเลยเคมาเธอไม่คิดว่าเธอจะแก่จะเก็บจะตายหรือ คนที่เกิดมาในโลกนี้ไม่มีใครสักคนที่จะเว้นไปได้ความแก่ความเก็บความตายมีกันทุกคนทำนองนี้แม้แต่ท้าคตท้ตาคตก็ไม่พ้นจากความแก่ความเก็บความตายคนที่เกิดมาในโลกนี้ต้องแก่ต้องเก็บต้องตายทุกคนพระนางเขมาฟังพระสัตธรรมกับพระพุทธเจ้าไปในที่สุดก็เป็นพระอรหันต์ขึ้นมาอะ ท่านก็พิจารณาดูความแก่ความเจ็บความตายดูศพเน่าเฟะไปนั่นแหละก็น้อมเข้ามาสอนพระพุทธเจ้าให้ทำไปเรื่อยๆแทรกไปเรื่อยๆในที่สุดพระนางเขามาก็เป็นพระหลังหันพอพระนางเขามาเป็นพระหรัหันแล้วพระพุทธเจ้าก็ถามาพระเจ้าพิพิสารมหาบพิษจะให้พระจะให้เขามาบวชหรือจะให้ปรินิพาน ในขณะนั้นพระเจ้าพิพิษานก็โอ้คำคำที่ว่าปรินิพานเนี่ยก็หมายความว่าพระนางเขามาเป็นพระละหันแล้วให้บวชพระเจ้าข่านั่นแหะอันนี้แหละพระเจ้าพิพิษานก็เลยอนุญาตให้บวชนะแหละในสมัยนั้นก็พระนางเขามาก็ได้เข้าบวชเป็นภิกษุณีแต่เป็นพระละหันก่อนอันนี้พวกเราก็ที่ว่ามาดูอันนี้แหละความยึด ความยึดติดมันก็ยึดติดในกายของเราเนี่ยแหละอ่ามันว่าอ่าตัวเราอ่พอมีตัวเรามันก็ว่าเชื่อผ้าอ่าของเราอ่ตัวเราเงินเราอ่าสักสมบัติเราบ้านเรารถเราอ่าอ่านี่มันคิดยึดทํานองนี้อันนี้ลูกหลานเรามันก็คิดอ่ามันคิดไปทํานองนี้อันนี้ความยึดติดอ่าท่านว่าความยึดติดมันก็ยึดที่ว่าของของเราอันนี้แหละ ถ้าเราคิดตัวนี้ถ้าใครยึดติดแบบนี้เนี่ยแม้จะได้ทำบุญทําทานมากขนาดไหนก็ช่างจะไปไปไม่ได้ถ้าจิตยังคิดยังยึดติดนะใครเป็นตัวอย่างน่ละในช่วงพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วสองร้อยกว่าปีก็ยังมีผู้เก่งกล้าขึ้นมาเกิดพระเจ้า จำซีไม่ได้แล้วพระเจ้าอาโศกมหาราชพระเจ้าอาโศกมหาราชมาเกิดในช่วงนี้แต่ในช่วงนั้นก็ยังมีพระเทระพระโมคกขลีบุตรพระโมคกขลีบุตรเป็นพระลัหันและก็เป็นประธานสงฆ์ในช่วงนั้นเป็นผู้มีอายุพรรษาแก่กว่าองค์อื่นๆพระโมคกขลีบุตรแต่ก็มีสามเณรสามเณรองค์หนึ่งที่พ่อ พ่อเนี่เป็นทายาทหรือจะเป็นพี่เป็นน้องของพระเจ้าอโศกมหาราชนั่นแหละแต่ก็ถูกพระเจ้าอโศกนี่ฆ่าไปแล้วเป็นหลานของพระเจ้าอโศกสามเณรองนีน่สามเณรองนี้ก็ได้ยินแม่พูดให้ฟังว่าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระเจ้าอโศกมหาราชนี่เป็นหลวงลุงของเราเป็นทายาทของเราทำนอง น, นี้สามเณรนี่ก็เป็นพระหลแล้วเป็นเนสามเณรอรนนัหัน ก็จะสงเคราะห์นะอ่าจะสงเคราะห์อเอาลุง ก, ก็เดินเที่ยวบินทบาทแถวแถวัถววงนั่นแหละแถวหน้าวังแถวรอบๆอบวังนั่นแหละอ่าพระเจ้าอาโศกเนี่ยมองไปมองไปเห็นสามเณรองนี้ก็เออผิวพรุ์ดูอาการของจิริยามาราญาตของสามเณรองนี้เออน่าดูนะก็ใช้ให้ทั้งหารเนี่ยไปเรียก ไปเรียกเอาสามเณรมาไปนิมนต์สามเณรมามาหาท่านสามเณรก็พูดนั่นพูดนี่ให้ฟังในที่สุดก็ถามข้อวัดปฏิบัติาการประพฤติปฏิบัติถามไปถามมาก็เป็นหลานของตัวเองอในที่สุดก็อาราธนาสามเณรให้มาบิณฑบาตให้มาฉันในวังตลอดไปทนนนํานองนี้พระเจ้ า, า, าที่วานี่ย ในที่สุดก็ที่ว่าการได้ยินได้ฟังสามาเณรเทศแล้วในที่สุดก็สามาเณรก็ก็อยากเขียนอาจารย์ของสามาเณรในที่สุดสามาเณรก็พาไปอเอาอาจารย์มาเทศให้ฟังในที่สุดท่านก็เกิดศรัทธาพอเกิดศรัทธาแล้วก็ระลึกถึงกรรมที่ตัวเองฆ่าญาติพี่น้องตัวเองนั่นนะเป็นว่า อ่ยนะเป็นร้อยเลยนะอะ่เป็นร1 0ร้ย ส, บ, ยสบพระองค์แบบนี้อ่าทายาตนะอ่าในเสื้อพระวงนะ์น่ะคนที่จะมาครองราชสมบัตินะ่ะแย่งแย่งพระราชบัลลังกันนะ่ะฆ่าหม่เพื่อนตัวเองจึงได้เป็นพระราชาอ่าพระเจ้าธรรมโศกราชนีจอ่าฆ่าโม่เพื่อนฆ่าญาติพี่น้องฆ่าพี่ฆ่าน้องนะ่ในเสื้อพระวงคนะ์ตายกันเกื่อนแล้วเวลาไปทำสงคราม เวลาพระองค์เกิดขึ้นม า, าเวล า, าในช่วงเป็นเจ้าชายอยู่นั่นถ้าเกิดสงครามหรือว่าเกิดกบฏ ท, ที่ไหนก็ช่างเขากอา็องค์อื่นๆเนี่ยองที่มีอํานาจกลัวที่มีศักดาใหญ่กลัวนั่นที่ว่ามีายศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่กวลัวก็ใช้ให้องนี่แหละไปไปลบไปลบแต่ละที่ละที่เนี่ยก็สํานานขึ้นมาเรื่อยๆ การฟันดาบการลบทการลบการวิธีแล้วก็ลูกก็ก็เจ๋งมาเรื่อยๆในที่สุดไม่มีใครสู้ได้ต่อมาก็ที่ว่าได้คลองราดสมบัติสมประสงค์แล้วก็ยกทัพไปบุกเมืองนั่นเมืองนี้ไปเรื่อยๆอลบไปเมืองไหนก็ช น, นะชนะไปเรื่อยๆต่อมาก็ไปเมืองกาลิงคะไปลบเมืองกาลิงคะเนี่ยท่านก็เห็นที่ว่า ทหารของฝ่ายตัวเองนี่ตายเกือ่อนไปน่ะจํานวนเป็นแสนกลุ่มข่าศึกนั่นน่ะกลุ่มเมืองกาลิงค่าน่ะก็ตายเป็นแสนนั่นน่ะเต็มทุ่งนาอยู่พระองค์ก็เกิดความสลดสังเวชอ่าระลึกตัวนั้นแหละระลึกว่าบาปกรรมที่เขาตายอ่าจากลูกจากเมียเขานั่นน่ะอ่าตายจากลูกจากเมียทหารน่ะ มีแต่ที่ว่าตายจากลูกจากเมียลูกเขาก็จะลําบากภรรยาเขาก็ลําบากพระองค์ก็คิดทบทวนไปแบบนี้แหละก็เลยกราบถามพระโมคคันลีบุตรว่าะจะทําอย่างไรจึงจะพ้นพ้นกรรมพ้นเวรที่ได้ทํามาแล้วนะเนี่ยพระโมคคันลีบุตรก็หาช่องทางที่ว่า ให้พระองค์นี่บูรณนะบูรณน ะ, ะพุทธศาสนาขึ้นให้เจริญให้เจริญดั่งเดิมสร้างสถูกสร้างเจดีย์ที่ไหนพระพุทธเจ้าไปประทับหรือว่าที่ไหนท่านไปแสดงธรรมที่ไหนท่านไปที่พอระลึกได้พระโมคคัลลบุตรเป็นพระละหันท่านก็ไปซีที่ให้ตรงนี้พระพุทธเจ้า สัตซารตรงนี้พระพุทธเจ้าไปแสดงปฐมเทศนาตรงนี้พระพุทธเจ้าไปโปรดโยมคนนั่นคนนั้นตรงนี้เป็นวัดนั้นตรงนี้เป็นวัดนั่นพระโมคคันลีบุตรก็ชี้บอกทานองนี้แหละพระเจ้าอาโศกมหาราชก็สร้างเจดีเป็นพุทธบูชาทํานองนี้ในช่วงที่ก่อสร้างสถูปเน่ยเจดีเน่ย ในช่วงนั้นน่ะก็มีพญามารพญามาโองค์ที่ว่าเนี่ยอยู่เลยพระอินไปนะอยู่ในสั้นปลาลนิมิตตวัตสวตีนะ่ะอยู่ตรงโน้นแหละอยู่สั้นสูงๆนั่นแหละแต่เป็นพญามารเป็นเทพแต่ก็เป็นเทพแบบมาร น, นั่นแหละเทพมารเทวดามาร เ, เ, เ, เป็นเทพพระบุตรมารเป็นเทพพระบุตรแต่เป็นมารมาก่อกวนพระพุทธเจ้าในช่วงพระพุทธเจ้า มาบำเพ็ญก่อนที่จะได้ตัดสรูน่นะก็พระยามาองค์นี้มาตัดสลูมาลบไม่อยากให้พระพุทธเจ้าตัสรูทำนะก็ที่ว่ามาลบกวนทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหล ะ, ะสารพัดนั่นแหะหาวิธีแต่พอพระองค์ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังมาลบกวนอีกไปบินท่าบาทบางที่บางสถานเนี่ยก็ไปสิงคนไม่ให้ใส่บาทให้พระพุทธเจ้าแบบนั้นก็มีอันนี้แหละเขาทํากรรม มานตัวนี้อันนี้พญามานตัวนี้ในช่วงพระธรรมศกราชเนี่ยจะมาสร้างเจดีเนี่ยเขาก็คิดว่าเอ๊ะพระเจ้าธรรมโศกราชเนี่ยเขาคงปาถนาเป็นใหญ่เขาคงจะมาเป็นเทพที่มีลฤทธานุภาพมีแสน ญ, ญานุภาพเหนือเราถ้าเขาทําเจดีทําสถูปเหล่านี้สําเร็จ เขาก็จะได้เป็นเทพที่สูงกว่าเรามีแสนญาโรคภาพมีฤทธิ์มีเดชกว่าเราเราก็จะเป็นผู้อับอแสงอับปัญญาอับฤทธิ์เดชของเราจะสู้เขาไม่ได้เราต้องไปรบกวนเขาไม่ให้มันสําเร็จทํำนอเ น, นี้ยก็มารบกวนทําเป็นพายุทําเป็นฝนตกเอาทรายเอาหินเอาวัตถุอะไรมากรองไว้เอาปูนเอาซีเมนมากรองไว้ทํานอเ น, นี้ยอพระยามาร น, นี่ก่อ บันดาลให้ฝนตกหาใหญ่น้ำท่วมไหลลึกไปเลยอ่าอ่ากวดหินปูนทรายนี่ไหลลงมหาสมุทรไปทำนองนี้อ่าลบกวนอยู่ที่นั่นแหละาขนอะไรมากก็ช่างก็ลบกวนลบอ่สารพัดนั่นแหละอ่าอ่าพระเจ้าธรรมโสกราชก็ไปปรึกษาว่าอ่าจะทำอย่างไรอ่าเหตุการณ์ทำไมถึงเป็นแบบนี้แต่ก่อนเหตุแบบนี้ไม่เคยมีลมแรงฝนแรงแบบนี้ไม่เคยเกิดแต่ก่อน บัด น, นี้ทําไมถึงเป็นแบบนี้พระโมคคันลีบุตรก็บบูโอ้มันมีพรยามาลมาลบกวนอ่ามันมีพรยามาลมาลบกวนท่านก็เลยว่าไปเอาที่ว่าไปเซิญอ่าไปเซิญพระอ่าที่ว่าพระอุปคุดมารักษาม า, กมาป้องกันมาป้องกันมานั่นแหละในที่สุดพระอุปคุดลงมาแล้วก็มาป้องกันได้อ่าเวลาพระอุปคุดลงมาแล้วเนี่ย พญามารก็มาลบกวนอ่าเวลาที่ว่าเป็นจะเป็นลมมาพัดแบบเนี้ยอ่าพระอุปคุดก็เป็นภูเขาแปลงล่างเป็นภูเขากั้นกั้นลมอ่าพญามารก็แปลงล่างเป็นวัวตัวใหญ่ๆมาซนมาทําลายคูตัวนั้นอีกภูเขาตัวนั้นอีกอ่าพระอุปคุดก็แปลงล่างเป็นเสือมาไล่กัดวัวตัวนี้อีกอ่า เ, เวลาที่สู้กันอย่างนั้นน่ะ ในในยุคนั้น่ะทั้งพระทั้งโยมนั่นเห็นหมดนั่นแหละเห็นอ่าสู้กันพยามาลกับพระอุปคุดนั่นสู้กันนั่น อ, ะอ่ะเป็นวัวตัวใหญ่เป็นเสือตัวใหญ่ๆ่ไล่กัดกันสู้กันในที่สุดพยามาลก็ยอมพระอุปคุดจับได้แล้วก็เอาไปมัดไว้เอาสายประคดมัดติดภูเขาไว้เลยก็เสกหนังหนาเอาเว่า ะพระอรหันต์ท่านเสกให้เป็นหนังหมาเน่าไปแขนคอไว้พวกเทพพระบุตรเทพธิดาหรือว่าพวกยักษ์พวกอะไรอื่นๆเนี่ยเขาเหาะมาดูพญามารตัวนี้ก็อายอเกิดความละอายอเรานี่อยู่สูงๆโน่นเทพเหล่านี้ยักษ์เหล่านี้ลูกขเทพตามภูําป่าเนี่ยเป็นผู้ไม่มีฤทธิ์แต่เขาก็มาดูเราแล้วเขาก็ยิ้มเขาก็เย้ยเรา อ่ก็เสียหน้านะ่ะในขณะนั้นนะเสียหน้าความพยศของท่านก็หมดไปนะในขณะนั้นอ่าในที่สุดนะความพยศก็หมดไปอ่ผ่านมาเรื่อยๆผ่านมาเรื่อยๆในที่สุดก็ถือว่าสร้างเจดีอยู่นั้นนะก็หลายปีอ่าต่อมาก็สลองเจดีอีก7ปีเจเดือน7วันงานสลองเจดีในช่วงงานสลองเจดีเนี่ย พระสงฆ์ในสมภูทวิมมารวมกันทั้งหมดในงานสลองเจดีในช่วงนั้นผู้คนก็มาสลองงานเต็มไปหมดพอดีนั่นแหละพญามารนั่นนะก็เดือดร้อนอยู่ใจอยู่นั่นแหละพญามารเดือดร้อนใจอยู่เมื่อไรเราจะนีเราเคยทำพระสมณะโคดม เราก็ทําให้มาแล้วพระสมณมตมสมณโคดมก็ไม่ลงโทษเราแต่ลูกศิษย์ของพระสมณโคดมนี่มาลงโทษเราเราได้อับอายเทพทั้งหลายอาทั้งยักษ์ทั้งเทพทั้งทั้งผู้คนผู้คนก็เห็นเราเราเป็นผู้อับอายนั่นแหะก็ยังคิดทบทวนไปคิดทบทวนมาเออเรานี่อก็ยังมีอ พระพุทธเจ้ายังมีสาวกของพระพุทธเจ้าเรานี่ก็เรานี่แหละต้องการอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งอพญามารคิดได้ตัวนี้ในขณะนั้นน่ ะ, ะพร ะ, ะท่านก็รู้จากว่าเออพญามารกลับใจแล้วพญามารนั้นหมดหมดพยศแล้วมีความปบาดถนาอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในภายภาคหน้าแล้วอ แล้วก็ในขณะนั้นนะพระที่ว่ า, าท่านก็เลยมามาแก้มาแกา้มาปดาพระอรหันต์รัดแล้วไม่มีใครแก่ได้ท่านก็มาแก่เองพระอุปคุธแก้แล้วพร ะ, ะยามาณก็เข้าอยู่ไปไปอยู่ในกลุ่มสงนั่นแหละในงานมหวรศพนั้นในช่วงนั้นพระโมก ่าคันลีบุตรหรือว่าพระเทระต่างๆเนี่ยก็ถามพยามารอ้าวพยามารได้ยินว่าท่านเนี่ยเกิดมานมนานแล้วเห็นพระพุทธเจ้าในขั้งท่านเกิดมาพระพุทธเจ้าเกิดมาหรือว่ามาบัมเพ็ญหรือว่ามาตัสลูนี่ท่านก็ได้มาเห็นมาเจอท่านเห็นแล้วเนี่ยพระโมคกขลาสาลีบุตรหรือว่าพระอานนท์พระพุทธเจ้าเป็นรูปร่างอย่างไร เป็นเป็นรูปร่างอย่างไรเป็นคนลักษณะแบบไหนท่านทำให้พวกเราดูได้ไหมทาได้แต่พระคุณเจ้าอย่ากลาบผมนะอ่าอ่าในช่วงที่เป็นจำแรงเป็นรูปพระพุทธเจ้าออกมานี่พระคุณเจ้าอย่ากลาบกับผมนะอะ่ผมจะเป็นผมกลัวผมจบตกนรกทำนอ น, นี้หละพญามารก็กลัวตกนรกและนะเขามีใจอยากจะเป็นพุทธเจ้าองค์หนึ่งแล้วในขณะ น, นั้น พอพญามันสัญญาแล้วก็บอกบอกอะพระว่าห้ามไม่ให้พระกราบถ้ากับผมจำแรงเป็นพระพุทธเจ้ากับสาวกเดินออกมาแล้วเนี่ยอย่ากราบกับผมน ะ, อะพอดีก็พญามันก็หายแวบไปหายแวบไปแล้วก็บรรดานเนรมิตรให้ตัวเองเนี่ยเป็ น, ลนหลายคน เป็นพระพุทธเจ้ากับบริวารพระโมคคัลาสาลีบุตรนนพระอานุ์พระอนุรุธทธะมีทั้งหมดเลยในครั้งพุทธเจ้าเน่ยเป็นเดินตามพุทธเจ้าแรดล้อมพุทธเจ้าออกมาเลยเป็นทิวแถวออกมาเลยเดินมาในอ่าอ่าในมณฑลวิธีนั้นพอพระพุทธเจ้ามามาแล้วก็มายืนอยู่นั่นแหละพระโมคกขลีบุตรกับพระทั้งหมดเนี่ยในสมัยนั้นน่ะที่มาในงานสลองเจดีนั่น ตางคนก็ต่างกราบเลยกราบพระพุทธเจ้ากราบเลยพระยามานก็ร้องห้ามว่าผมให้สัญญาแล้วผมผมให้บอกว่าไม่ให้กราบผมทําไมจึงกราบผมละ่ะเราไม่ได้กราบเธอเรากราบพระพุทธเจ้าต่างหากพระโมคคัลยบุตรท่านก็บอกแบบนี้พระอุปคุตนันก็บอกพรยามานแบบนั้นในขณะนั้นนะพรยามานแปลงเป็นล่างมานั่นแหละ คนในยุคนั้นสมัยนั้นอ่ะช่วงที่ว่าพศ270เนี่ยแอบพศสองเนี่ยคนในยุคนั้นที่ไปงานสลองเจดีย์นั่นได้เห็นรูปโสมของพระพุทธเจ้าแล้วในยุคนั้นนะอ่าในยุคนั้นก็เห็นรูปพระพุทธเจ้าพระโมกขลาสารีบุตรเทีนหมดเลยในช่วงนั้นพญามารแปลงร่างแปลงเป็นรูปโสมของพระพุทธเจ้าให้ดูอันนี้แหละแอบพญามารก็กลับใจตั้งสัจจะ อยากจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในโลกในภายภาคหน้าก็จะได้มาเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งแต่ก็นานน ะ, ะไม่ใช่ว่าจะมาเป็นพุทธรูปเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าประมาณแสนปีเนี่ยไม่ใช่ว่าแสนปีมาองค์หนึ่งล้านปีมาองค์หนึ่งไม่ได้เป็นแบบนั้นท่านบอกว่าบางทีเนี่ยเป็นพุท ธ, ธรรันดรหลายกลับเป็นพุทธันด ร, รทำนองนี่แหละ หลายล้านปีจึงมาองค์หนึ่งพระพุทธเจ้าอันนี้แหละการเวียน่าวตายเกิดของพระพุทธเจ้าก็มาทํานองนี้แต่มรรคผลนิพพานก็มียอยู่ตลอดไปไม่ใช่ว่าไม่มีพระพุทธเจ้ามรรคผลนิพพานจะหมดนะในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้าก็ยังมีที่ว่าพระปัจเจพุทธเจ้าเหมือนกันในช่วงว่างของพระพุทธเจ้าก็มีพระปัเิเจ้า มาตัดสลูเป็นพระพุทธเจ้าแล้วแต่ไม่ได้สอนคนไม่มีอำนาจไม่มีบุญญาธิการมากมายแบบที่ว่าไม่มียานที่ว่าจะมาสอนเอาอคนได้มากๆเหมือนกับพุทธเจ้านี่แหละมันก็ต่างกันแต่ก็ทุกสิ่งทุกอย่างมีเหมือนกันเป็นพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ไม่ที่ว่ายานที่จะมาที่ว่าความรู้ความะจะมา อ, อดทนอสอนญาติโยมไปสอนเอาคนนั่นคนนี้แบบพระพุทธเจ้านี่ไม่มีแบบนี้แต่เป็นมาถือว่าบางขัง้งบางสมัยเนี่ยพระปัจเจพุทธเจ้านี่อยู่ด้วยกัน500รองค์ก็มีนะเป็นหลายๆองค์ก็มีนั่นแหละแต่พระพุทธเจ้ า, าแบบพระสมณโคดมเนี่ยถ้ามีแล้วนี่ในโลกมนุษย์เราเนี่ก็มีองค์เดียวมาตัดสลูทีละองค์แค่นั้นนะ อันนี้พวกเราก็อยากจะไปคิดว่าแบบที่ว่าเขาพูดกันในสมัยนี้นะในสมัยในช่วงก่อนๆเนี่ยอย่างโพธิลักษณ์แบบเนี่ยเขาก็ประกาศว่าเขาเป็นภาษาลีบุตรนะพระโพธิลักษ์แบบที่ว่าอาจารย์ของพันเอกนายจําลองจําลองศรีเมืองโพธิลักษ์เขาก็ประกาศตัวเองว่าเขาเป็นภาษาลีบุตรนะ อยู่ตามแถวน้องบัวลําพูแบบนี้ก็ประกาศตัวเองว่าเป็นองค์นั่นเป็นองค์นี่นะเป็นทํานองนี้แหละลือศีศรีภยัยสามเณรอะไรต่างๆเนี่ยก็ประกาศว่าตัวเองเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึง่งทํานองนี่ไม่ใช่แบบนั้น่พระอหรหันต์หรือว่าพระขีนาโสปทั้งหลายที่ท่านตัดสลู่เป็นพระอหรหันต์ไปแล้วเนี่ยท่านไม่ได้มาเกิดอีกอท่านหมดไปเลยนั่นแหละแต่คุณของท่านก็ยังอยู่ อ่าถ้าเราภาวนาไปอ่าถ้าเราทําความภาคความเพียรหนักเข้าหนักเข้าเนี่ยเร่งทําความเพียรเนี่ยก็จะปรากฏเห็นหลวงปู่มั่นไอ้บางคนก็จะเห็นหลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนอ่าหลวงตามหาบัวทำนอง น, นี้แหละจะเห็นท่านมาสอนทำหรือว่าท่านมาอ่าพูดมาปรากฏให้เห็นอันนี้การถ้าใครประพฤติปฏิบัติเราจะปรากฏแบบ น, นี้นะถ้าใครเร่งเร่งทําความเพียร น, นะเราก็จะปรากฏเห็นครูบาอาจารย์ทำนอง น, นี้ อันนี้อันนี้พระคุณอันนี้เป็นพระคุณของท่านอันนี้เป็นคุณของท่านอย่างหลวงพ่อนี่ก็ที่ว่าในขณะที่หลวงพ่อไม่มีตัวไม่มี ต, มมตนเนี่ยพระพุทธเจ้ามายืนมายืนให้ก ร, ราบเลยกราบทั้งกราบทั้งร้องให้มันเป็นแบบนั้นได้กราบได้ร้องทั้งกราบทั้งร้องให้นั่นแหละกราบพระพุทธเจ้ามันเกิดที่เกิดความขึ้นมาว่าในใจว่า โอ้พระพุทธเจ้าตัดสรู้ท่านปรินิพานไปแล้วเนี่ย 2,500 กว่าปีแล้ววันนี้เรายังมีโอกาสได้กราบองค์ท่านน่นมันเป็นที่ว่ า, าได้ถึงอกถึงใจมันร้องให้เลยล่ะมันกรบกาบรูปโสมของพระพุทธเจ้าอันนั่นแหละมันก็มาทํานองนี้อันนี้ก็เป็นพระ ค, คุณแต่ที่จริงองค์ท่านไม่ได้มาล่ะ อ, องค์ท่านไม่ได้ม า, อ, าอย่างในประวัติที่หลวงตามหาบวญเขียนประวัติหลวงปู่มั่นแบบเนี่ยว่า พระพุทธเจ้าองค์นั้นองค์นี้หรือว่าพระอรหันต์องค์นั้นองค์นี้มาเทศสอนธรรมะให้หลวงปู่มั่นมาเทศให้หลวงปู่มั่นฟังหรือว่ามาแสดงท่าปรินิพานให้ท่านดูแบบเนี้อันนั้นก็เป็นพระ ค, คุณลักษณะเป็นพระ ค, คุณเหล่า น, นี้คุณของครูบาอาจารย์คุณของพระอรหันต์ที่มาสอนมาเพิ่มให้เรามีศรัทธาถ้าเรามีศรัทธาเร่งความภาคความเพียรเข้าไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็จะได้รู้ได้เห็นเหมือนกับท่าน ให้เราคิดแบบนี้อย่าคิดว่าโอ้ยอนาคตการเบื้องหน้าน้นเธอร์อย่าไปคิดแบบนั้นนะหลวงพ่อไม่เอาแบบนั้นหลวงพ่าว่าโอ้ถ้าหมดเขตของพระอหรหันต์หมดเขตของพระสมณะโหรมเนี่ยมันเหลืออีกสองพันกว่าปีเนี่ยอาชาตินี้เราเนี่ยอายุร้องของเราก็ขนาดนี้แล้วอาที่เรามันเหลืออยู่เนี่ยวันพรุ่งนี้ของเราถ้าเรายังไม่ตายเราก็รี บ, รบเร่งเอา รีบประพฤติปฏิบัติเอาอยาให้มันเนินชาเนี่ยให้มันเล่งเอาทำนองนี่ยาคิดว่าชาิหน้า อ, อย่าไปคิดเอาชาิหน้าถ้าเกิดชาิหน้าล่ะมันไปเป็นเปรเป็นผีสักหรือเป็นสัตว์ใรสารสัเราก็หมดอ่าถ้าไปเกิดอยู่พ่อแม่ไม่พาเข้าวัดเด้อ่าอ่ไปเกิดบางคนเนี่ยมหาเศรษฐีอ่าเขาก็ไม่เข้าอ่าไม่ได้ยินเสียงใครล่ะเขาก็ซ้ำ คันตัวของเราเนะ่เป็นคนอีกประเภทหนึ่งเขาก็ว่าพวกจนๆเนี่ยไม่ใช่คนเป็นคนรัฐานะามีความสำคัญตัวคิดว่าจะไม่แก่ไม่เจ็บ ไ, ไม่ตายนยั่นแหละเขาก็ว่ารวยแล้วเราไม่ทำบุญทำทานเราก็รวยอยู่นี่ใครไม่ยังไม่รวยก็ไปเถอะไปวัดไปทำบุญทาทานก็ไปสร้างเอาต่อของเรานี่รวยแล้วเยอะแลวเนี่ย ใช่ไม่หวานไม่ไวแล้วชาตินี่บางคนเขาคิดแบบนี้ก็มีอันนี้แหละเราเกิดขึ้นมานี่ถ้าเราคิดว่าเอ อ, เ, อ, อเดี๋ยวนี้อายุขนาดนี้แล้วเหลืออีกกี่เดือนกี่วันกี่ปีนั่นแหละถ้าใครคิดทบทวนมาแบบนี้หละเราจะได้รู้เห็นเร็วนะสำหรับหลวงพ่อในขณะนั้นในช่วงพศ22นะเราไม่มีวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ไม่มีสาหรับเราเราจะตายเดี๋ยวนี้ นั่นเอาเป็นปัจจุบันเลยนะอ่ามันเอาตายเลยนั่นแหละมันยังว่าอ่ารวบรวมเลยประเมินเข้ามาหาตัวเองเราไม่ลุกอ่านั่งแล้วไม่ลุกไม่ยอมขยับตัวมันจะเปื่อยจะเน่ามันจะพองอะไรก็ช่างมันแหละกระดูกจะแตกก็ช่างมันแหละอ่าเราไม่กินแล้วไม่กินข้าวกินน้ําน่าข้าวเนี่ยอดไปเลยนั่นแหละมันก็มีกองเสียขึ้นมาเรื่อยๆก่อนแรกๆหลวงพ่อก็อดข้าว อ่าต่อมามันก็พุดขึ้นมาอีกอ่าเวลามันพุดขึ้นมานี่ช่วงหลวงพอ่อจิตสงบแล้วจิตสงบแล้วเห็นศพของตัวเองที่ว่าไปเห็นว่าเสือตบหน้าพอจิตถอนในช่วงนั้นละ่ะยืนนะอ่าเดินจมกลมนะจิตสงบอยู่ที่ทางจมกลมพอจิตถอนจากนั่นหละวิจากวินาทีนี้ต่อไปไม่ต้องชันน้ำอ่าเราจะอดข้าวอยู่นี่ยังไปชันน้าอยู่นี่มันไม่ตายง่ายนั่นมันขึ้นทนํานองนี้ อมันก็ที่ว่าจากวินาทีนี้ต่อไปนั่นมันไม่อนุญาตให้เราไปจิบน้าเลยมันจากวิเลยจากวินาทีเลยอันนี้แหละมันมันเกิดความเผ็ดร้อนขึ้นมาทำนองนี้อันนี้แหละมันก็แสดงขึ้นมาเป็นเปาะเป็นเปาะอ่ามันทุกขึ้นมามันก็มีอะไรมาช่วยมาแก้ไขเป็นเปาะเป็นเปาะแล้วก็เออจริงนะทำนองนี้ก็พยุมาเรืร่อยๆพายุมาเรืร่อยๆในที่สุดก็ว่าอา้าว สักว่ า, าความเจ็บความปวดเนี่ยมันจะปวดอะไรก็สร่างในที่สุดมันมันมันปล่อยวางได้นั่นะมันก็ให้สู้ให้สู้ในช่วงเรามีทุกขเวทนาสู้จนเลยไม่มีตัวลมหายใจละเอียดเข้าละเอียดเข้าขาดเลยนะใจขาดเอา้าไม่ใช่เราตายแล้วหรือถ้าถ้าเป็นคนอื่นนะหลวงพ่อเนี่ยตายเลยนะใจขาดเนี่ยลมหายใจหมดนะ ไม่มีลมหายใจไม่ใช่เราตายแล้วหรอตายเลยเราไม่กลัวอ่าพร้อมที่จะตายแล้วนั่นนะมันมันเป็นแบบนั้นมันไม่กลัวตายนั่นแหละเห็นอะไรก็สั่งมันผ่านไปเรียกยผ่านไปเรื่อยถ้าเทียบนะถ้าเทียบนคนที่เข้าเข้าสมาธิเอาความสงบท่าเดียรก็เหมือนคนที่ว่าต้องการอยากจะเดินทางไปเมืองของนแก่นอ่จะไปขอนแก่นนี่แต่เดินไปเดินไปแป๊บเดียวเนี่ยสมมุติว่าเดินนะ ไปถึงร้านอาหารนี่ยก็แวะเข้าไปสักไปถูกพัดลมไปถูกห้องแอร์แล้วก็เย็นไอ้ห่วงนอนก็นอนสัเนี่ยไปอยู่ทํานองนี้คนที่จะเดินไปถึงเมืองขอนแก่นก็ขาซ้ายขาขวาสลับกันไปเรื่อยๆท่านจึงว่าใช้ปัญญาทั้งสมาธิทั้งปัญญาสลับกันไปในช่วงนี้นะแต่ถ้ามันมันมันก้าวเดินทางปัญญาได้แล้วเนี่ยมันมันคิดมันมันมัน ตัวมันมันเลยสมาธิไปนะมันเป็นปัญญานะอ่าถ้ามันก้าวไปถึงปัญญาแล้วมันจะไปไปได้เลยวนะเนี่ยอ่าเหมือนกับคนที่ว่ามันเห็นทุกขเวทนาเนี่ยเหมือนกับผ่านไฟเหมือนกับมีกองไฟไฟไหม้ปากขวางทางอยู่แต่เราเราต้องการจะไปถึงจุดนั้นอ่าจุดนั้นมันอยู่เลยไฟน้นเราต้องผ่านเลยเราต้องพาไฟไปเลยไอ้ความเจ็บปวดที่เราอ่าเราประมาณ เหมือนกับไฟเหมือนกับน้ำน่ะอุปมาแบบนี้ที่เรามันเจ็บมันปวดอยู่เดี๋ยวนี่มันเป็นไฟเป็นตัวของเราเหมือนกับเป็นก้อนไฟเป็นก้อนถ่านมันร้อนมันเจ็บมันปวดอ่าอันนี้แหละเราเลยตัวนี้ไปให้มันไปถึงจุดนั้นให้มันได้นี่แหะพยายามทีกว่าเลยทุกขเวทนาอันนี้แหละทุกหลวงพ่อจะว่ามันอยู่เลยตายนั่นแหละให้มันเลยไปเรื่อยๆอเจ็บปวดก็ได้ดูอ่าดูแล้วมันจะเทียบ เออเราเก็บอยู่ในขณะนี้เนี่ยคนที่เขาตายเนี่ยเก็บกว่านี้อีกเนี่ยมันมันบอกไปทํานองนี่อันนี้แหละมันก็มีปัญหามันมันมีปัญหาขึ้นมามันก็มีที่ว่าควร ม, มาแก้ปัญหาตัวนั้นให้เราไปเป็นปอะ ๆ, ปอๆปอไปเรื่อยๆก็สู้ไปเรื่อยๆนั่นแหละหลวงพ่อนั่งประมาณสามโมงเช้าเนี่ยนะประมาณขึ้นกุฏิในช่วงนั้น่ะอเวลาจิตมันถอนจากทางโยมกลมเดินขึ้นกุฏิประมาณสองสามโมงเช้าเนี่ย ก็นั่งอยู่ที่นั่นน่ะลวดเดียวไม่ขยับถึงสามโมงเย็นนั่นแหละจิตถอนออกมาได้ดูนาฬิกาเป็นสามโมงเย็นนั่นแหละมันกี่ชั่วโมงก็คิดเอานั่นแหละเลยทุกขเวทนาเลยตายผ้ากิวรแห้งแห้งติดตัวในก่อนที่จิตจะสงบเนี่ยมันเหนียวเหนอะน่ะมันอยากเอามือนี่ยขยับมาเซตหน้า อ่ามันอยากมาเซจเหงื่อที่มันไหลออกนะมันเป็นยางตายอาขยับไม่ได้ศพที่เขาตายไปแล้วเนี่ยไม่มีศพไหนมันไปนไล่มแมลงวันได้เราเป็นศพแล้วเนี่ยมันขึ้นมาแบบนี้ของหลวงพ่อมันจะปวดแค่ไหนก็ช่างมันไม่ยอมอ่าคนที่เขาตายไปเก็บกว่านี้ปวดกว่านี้อันนี้วิธีสู้นะของหลวงพ่ออันนี้เป็นอุบายอุบายของหลวงพ่อที่ ท, ที่ที่มันได้สู้กับทุกขเวทนา สู้แล้วนะ เ, เหมือนกับที่ว่ า, าตะลุมบอลกันเลยเไม่มีที่ว่าจะจะผ่อนให้มันไม่มีไม่มีแยกไม่มีกรรมการเหมือนกับนักมวยเข้าซกกันไม่มีให้น้ําไม่มีแยกนั่นแหละสู้กันจนว่าฝ่ายหนึ่งตายนั่นแหละเอาเอาแบบนั้นเลยมึงไม่ตายกูตายเอาแบบนั้นเลยนั่นแหละให้พวกเราขยัน อ, อดทนอ ถ้ามีสติขันติแล้วก็มีศรัทธาถ้าไม่มีศรัทธามันก็เป็นไม่ได้นะอันนี้ก็ศรัทธาแล้วล่ะก่อนอื่นศรัทธาสติขันตนะิแล้วก็มีความภาคความเพียงเรื่องอสตินี่มันมาที่หลังน ะ, ะ, ะเรื่องสตินะครั้งแรกๆเนี่ยมันก็จะเผออยู่นั่นแหละแต่มันเจ็บมันปวดแรงก้าวแรงก้าแรง้าเนี่ยมันจะจ้องดูกายท่าเดียวมันก็มาดูศพเนี่ยล่ะมันบอกว่าถ้าเราตายก่อนเนี่ย ถ้าเรานั่งภาวนามันเจ็บมันปวดมันตายก่อนนี่เราจะไปตกนรกนะนีอ่อ้าวเล่งดูกระดูเข้าไปอ่าเรื่องดูห น, นังเน่าเข้าไปดูศพนี่แหละอ่าเอาเอาแบบนี้อันนี้มันเป็นเป็นอุบายของของที่มันเกิดขึ้นมานั่นแหละมันหาอุบายมาแก้ที่ว่าเวลาเราไปจิตสงบอยู่กุดหลวงผู่ขาวน่นอ่ามันไม่มีความเจ็บไม่มีความปวดนั่งเฉยไม่ได้ขยับเลยนะนั่นมันเอาตัวนั้นมาเทียบ แล้วมันก็หาคิดหาค้นหาวิธีนั่นแหละอันนี้แหล ะ, ะให้เราคิดเทียบดูว่าเหลียวนี้เราได้เป็นลาชินีหรื อ, อยังผ้านางเขมาเนี่ยท่านก็ดูความเปื่อยเน่าท่านก็ดูศพให้เราคิดดูน ะ, ะทําไมคนสมัยนั้นกับคนสมัยนี้ราคะตันหาไม่มีหรือสมัยก่อน อ่าจะลู่ทาเอาลู่ท ำ, เ อ, ทำเอาแบบนั้นหรือไม่ใช่มีเหมือนกันนั่นแหละอ่าอ่ามีจริตนิสัยต่างๆกันคนที่เกิดขึ้นมาความคิดความนึกอ่าสติปัญญาน้อยมากต่างกันอ่าแต่ความโลภมีกันทุกคนอ่าคนที่หูหนวกตาบอดเขาก็ยังอยากรวยเขาก็อยากหายอ่าก็ทําลองนี่แหละอ่าคนที่เก็บป่วยก็ต้องการอยากจะอยู่นานๆ คนที่อายุเจ็ดสก็อยากอยู่ไปอีกเรื่อยๆไม่อยากตายแต่เขาตะโกนขึ้นมานะเวลามันเจ็บมันปวดโอยอยากตายเด้อยากตายเด้เดเดน่แท้ที่จริงถ้าอยากตายจริงๆเนี่ยอ้าวยายอยากเอาให้ตายให้ตายไปเร็วๆเนี่ยเขาก็ไม่ยอมให้ฆ่าเหมือนเดิมนั่นแหละอันนี้หละคนมันกลับกองอยู่แบบนี้ให้เราคิดทบทวนดูว่าในขณะนี้อายุขนาดนี้แล้ว เราเหลืออีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีอันนี้คิดให้มาเปลียนการบ้านนะ อ, อย่าปล่อยให้ตัวเองเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกอันนี้ที่เรามาเกิดเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยไม่รู้ว่ากี่กี่พบกี่ชาติอีกถ้าหลุดจากชาตินี้ไปแล้วมันจะมาเกิดมาตายอยู่ในโลกอันนี้ในข้างต่อไปเนี่ยในข้างต่อไปข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเกิดสงครามฆ่าฟันลันแทงหรือว่า เราเกิดเป็นสัตว์เขาก็ฆ่ากินเสือก็ฆ่ากินสิงโตก็กัดกินทำนอง น, นี้แหละอะเกิดเป็นสัตว์อะไรสัตว์น้ําสัตว์บกก็กินกันอยู่แบบนี้ให้เราคิดทบทวนแบบนี้อันนี้แหละให้เราคิดเอาที่ว่ า, าศาสนธรรมคําสั่งสอนพระพุทธเจ้ายังไม่เสื่อมยังไม่เสื่อมสลายยังสดสดร้อนๆ้อนอยู่เดี๋ยวนี้ยังร้อนรอยู่อยังมีมรรคผลนิพพานอยู่ให้เราคิดเข้ามาตอนนี้ เราก็พร้อมแล้วภาชนะของเรากายของเราก็มีใจของเราก็มีความเจ็บความทุกขเวทนาของเราก็มีกิเลสตัณหาของเรามีครบบริบูรณ์อันนี้แหละคนที่มีครบบริบูรณ์นี่แหละภาวนาได้อย่าไปคิดว่ามันจะหมดจ ะ, ะสิ้นไปในขณะที่ว่าเราต้องคิดทบทวนนี่แหละการคิดทบทวนการแยกธาตแยกธาตให้ตัวเองเป็นลงเป็นดินน่ะ แยกขาดแยกกิตออกจากกายวิธีมันแยกจิตออกจากกายพิยาพยายามปฏิเสธตัวเองให้มันเน่าให้มันตายให้มันเป็นดินแท้ที่จริงตัวของเราเนี่ยถ้าเราแยกไม่ได้มันก็ยึดนั่นว่าขากูแขนกูตัวกูมันยึดติดอยู่แบบนี้แต่ใครปฏิเสธตัวได้แล้วมันก็เป็นไปตามสมมุตินะก่อนมันจะเป็นวิมุตนะก่อนมันจะเป็นวิมุติมันก็สมมุติหน่ะละคร เราเห็นโดยสมมติครั้งแรกๆเราก็เห็นไปเห็นแก่แจ้งไปเรื่อยๆในที่สุดจิตของเรามันก็ปล่อยวางเองอันนี้การปล่อยวางแล้วแต่ช่วงไหนล่ะอันนี้มันกําหนดเอาไม่ได้จิตสงบเราจะเออนั่งไปเท่านั้นวันเท่านี้ส่วโมงมันจะเป็นกําหนดไม่ได้ถ้าเราปล่อยความอยากได้ล่ะอ่าเวลาเราอยากอยู่นี่มันไม่เป็นอ่าแต่เราต้องอดทนนะอ่าถ้าไม่มีความอยากลู่อยากเห็นเนี่ย อยากลูกอยากเห็นอยากหมดทุกเนี่ยมันก็ไม่มีศรัทธาอันนี้มีศรัทธาอยากลกูอยากเห็นมีความอยากตัวนี้ก่อนอ่าอตัวนี้เนี่ยมันไม่เป็นกิเลสน ะ, ะความอยากตัวนี้เป็นมรณะความอยากตัวนี้แต่มันเลยทุกว่ไดูทุกให้เลยทุกอันนี้แหละเราจะผ่านได้ไหมก็พยายามที่ว่าเวลาเราเจ็บป่วยเป็นโรคตับโรคปอด หรือว่าอเป็นมะเร็งผิวหนังมะเร็งกระดูกมันเจ็บมันปวดรุนแรงนะอะ่ให้เราคิดดูอที่มันเจ็บมันปวดอยู่นั่นน่ะก่อนที่จะตายเนะี่ยมันปวดอยู่นั่นตั้งหลายเดือนก็บางคนนะอะปวดหลายปีหลายเดือนก็มีนั่นอะเวลาเรานั่งภาวนาเนี่ยยังไม่ข้ามคืนนะอะยังไม่ข้ามคืนให้พยายามสู้เอาให้คิดตัวนั่นแหล ะ, ะมาเทียบเอาอเทียบเอา าการเก็บป่วยการตายการเป็นศพก็มาคิดว่าที่มาเก็บมาป่วยมาตายเนี่ยที่เราม า, มาทุกข์ก่อนจะตายหรือว่าเกิดสงครามบางครัง้งบางสมัยเกิดสงครามเอาหอกเอาดาบฟันกันเวลาเขาจับจับคนที่มีเงินทองได้คนรวยๆเนี่ยเขาจับไปแล้วเขาไปมัดมัดไว้แล้วเนี่ยเขาดังไฟเขาก่อไฟก่อไฟขึ้นเพิ่มฟืนขึ้นเรื่อยๆ อ้ามึงฝังเงินไว้ใสอามึงฝังเงินฝังทองไว้ที่ไหนบอกกูมาอ้าไม่ยอมบอกเพราะรักลูกบอกลูกบอกภรรยาไว้แล้วไม่ยอมถ้าพ่อตายนี่ให้มึงไปเอาเงินที่นั่นนะพ่อฝังไวตง้ตรงนั้นตรงนั้นบอกลูกบอกหลานไ้ทำนองนี้แต่พอไม่บอกนะ่พวกข้าศึกเขาเนี่ยพวกคนที่เขาชนะเนี่ยเขาลบชนะนะอย่างกรุงศรีอ ย, ยุธยาในสมัยกรุงศรีอ ย, ยุธยา บางคนก็ถูกทำนองนี่แหละเขามาัดติดตนไม่ไว้แล้วเขาก็ก่อกองไฟขยับกองไฟเข้าหาเรื่อยๆเพิ่มฟืนขึ้นเรื่อยๆล้อนเขา้าล้อนเขา้ามันจะพองได้อในที่สุดก็ล้องเลยโอ้ยยอมบอกเขาอยู่ตรงนั่นตรงนั่นก็บอกเขาบางคนบางคนก็อดเลยยอมตายนะเพราะรักลูกสงครามเลิกลูกจะได้เราตายซะเถอะสละไปเลยเนี่ยอันนี้แหละ เราตายมาทํานองนี่น่ะที่ถูกตัดคอทูดถู ก, ถกเขาเอามีดกีดตามหนังตามหน้าตามตัวของเราเนี่ยเขากีดเขาก็ถามแม่ึงเอาไว้ที่ไหนเงินมึงทองมึงทํานองนี่แหละอา่าให้เราคิดดูเนี่ยแหละก่อนจะตายเนี่ยลำบากที่สุดอ่าเนี่ยเกิดเป็นคนอา่ามันก็ที่ว่าเวียนไหวตายเกิดเป็นวัตทุกเป็นวัตถวนนั่นหลวงพ่อมันขึ้นมาแบบนี้แหละ มันเกิดที่ว่าโอ้มันเป็นวัตทุเป็นวัตถวนแล้วนที่เรามาเกิดมาตายอยู่นี่เออดีนะชาตินี่เราได้รู้ได้เห็นแต่หนุ่มยังไม่แก่เราก็ได้รู้ได้เห็นแต่ความรู้ที่หลวงพ่อเห็นเนี่ยก็ไม่ได้เสี่ยวไม่ได้เสี่ยวของครูบาอาจารย์นะไม่ได้เสี่ยวขี้ตีนหลวงตามหาบัวหรอกถ้าไปคิดเนี่อลวงตาเหมือนกับเหมือนกับผู้ใหญ่ สำหรับหลวงพ่อเนี่ยเหมือนกับทาโลกที่พึ่งจับลืนตาดูโลกนะก็เหมือนกับแบบนั้นเลยนะ อ, อันนี้แหละความรู้ความเห็นแล้วแต่าวาสนาบรารมีของใครของมันแต่ต้องอดต้องทนอย่าคิดว่ า, าเราจะเข็นง่ายๆแล้วนั่งนั่งภาวนาไปก็ไปกำหนดเอาเลยไปกาหนดเอาความสุขเลยเมันไม่เห็นต้องดูทุกข์ ต้องเลยทุกอ่าต้องดูทุกดูทุกไม่ใช่ว่ามันจะเห็นสุขนะเวลานั่งภาวนาเนี่ยดูทุกทั้งนั้นแหละดูทุกให้มันเลยทุกนั่นแหละมันจึงเห็นความสุขอ่าช่วงเห็นมันปลายเป็นปลายแถวแล้วตัวนั้นอ่าทางเดินของเรามันก็เห็นอันนั่นเห็นอันนี้ไปเรื่อยอ่าในช่วงเราเดินทางอ่าก่อนจะไปถึงโตนั่นมันไปเห็นกองไฟเราเออ เราเดินผ่านกองไฟมันก็เจ็บก็ปวดแบบนี้แหละอ่าเราก็พยายามเดินไปตะเกียกตะกายไปเลยรื่อยๆในที่สุดเราก็ถึงจุดหมายปลายทางอันนี้แอบหวังว่าญาติโยมทุกคนที่ฟังแล้วก็เจ็บเอาไปเป็นการบ้านเอาไปเป็นความแนวความคิดอ่าฝึกอ่าท่านเกิดมาจากไหนครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาอ่าหลวงปู่อ่าหลวงปู่เลี้ยนหลวงปู่อ่า มันหลวงปู่เซาหลวงปู่ศีหลวงปู่อแวนอะไรเงี้ยหลวงปู่ห ล, ลายๆลายองค์น่ยท่านอาจารย์มห า, าบัวหลวงตามห า, าบัวไปเนี่ท่านมาจากไหนท่านก็เกิดมาจากตระกูลในพ่อแม่ของท่านนั่นแหละก็มีดินน้ำลมไฟก็มีความเกลียดความโกรธความชังความรักเหมือนกันเนี่ยมาเหมือนกันนั่นแหละแต่เวลาท่านออกไปบําเพ็ญท่านก็เอาจริงเอาจั ง, จงได้ยินได้ฟังแล้วก็มุ่ง มีความอยากลูกอยากเห็นอดทนสารพัดนั่นแหละเดินข้ามเขาข้ามป่าข้ามดงเสือล่องก็พยายามฟืน้นอ่าอย่างอ่าบางองค์นะอย่างประวัติหลวงปูอ่อ่อนฮะหลวงปู่อ่อนเนี่ยท่านไปอยู่แถวอั น, น, นอัอนอำเภอนายงแถวเมียงอุดรอำเภอ น, ออนายงแถวนั้นเสือมันล่องเสือมันล่องนั่นไม่กล้าลงกุฏิอ้าว เมื่อไรเราจะชนะมันสักทีไอ้ใจเนี่ยท่านก็จี้เข้ามาว่าใจของเรามันกลัวอ่ะเราจะชนะแบบไหนเนี่ยในที่สุดกระโดดลงไปเลยกระโดดไม่ลงบันไดกระโดดลงไปเลยกระโดดลงไปแล้วนี่ก้าวขาไม่ออกอ่ะอา้าวมันดีแล้ว น, นี่มันมาถึงดินแล้วเนี่ยมันลงจากกุฏิมาได้แล้วเนี่ยเราอยู่กุฏินะอยูอ่ที่กุฏิเนี่ยตั้งหลายคืนมาแล้ววันนี้เราดีแล้วนะเรามาถึงดินแล้วเนี่ย เอาพยายามเดินมาเนี่ยขามันแข็งก็ค่อยนั่นแหละค่อยขยับไปทีละนิดทีละน้อยนั่นแหละเอาไปก็เอามาก็เดินได้นั่นแหละอันนี้ก็เหมือนกันเราก็ที่ว่าพยายามที่ว่าให้อดทนให้อดทนคนที่ทำการทำงานก็ที่ว่าให้สติรู้อยู่กับการงานแล้วก็พิจารณาเข้ามาที่ว่าให้พุทโทอยู่กับทำการทำงานนั่นแหละให้เรามีพุโทโธ อยู่ต่อเนื่องถึงเวลากลางคืนถึงเวลาเร า, ามาพักมานอนแล้วก็กำหนดเข้ามาหาเป็นกายของเรามาดูกายเน่ามาดูศพเป็นอสุพะ อ, อันนี้แหละวิธีทำทไปทานอนนี่ในที่สุดเราก็จะที่ว่ า, าไม่เหลือวิสัยต้องได้รู้ได้เห็นในวันหนึ่งข้างหน้าของเราอย่าคิดว่าชาตินานะให้เราคิดว่าวันหนึ่งข้างหน้าเราต้องได้เจอ มักผลไม่ผ่านเป็นสิ่งที่พอที่จะปฏิปาพืชปฏิบัติได้อยู่ให้เราให้กําลังใจตัวเองแบบนี้อย่าปล่อยตัวเองให้มันแก่มันตายไปก่อนอันนี้แหละความตายของเรามีแน่นอนความเจ็บความปวดเวลามันจะตายเนี่ยมันเจ็บปวดแน่นอนอันนี้แหละให้เราคิดทบทวนเข้ามาอันนี้ก็สมควรแจ่เวลาก็ขอให้พวกญาติโยมทุกคน จงมีความสุขกายสุขใจแล้วก็ขอให้ได้รู้ธรรมเห็นธรรมทุกท่านทุกคนเทิน